วันนี้ก็เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าให้พวกเราแถวพุทธหยุดภารกิจการงานทางโลกทางการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องการหาความสุขต่างๆผ่านทางร่างกายเพื่อให้เราได้มาชำระการกระทําทางกายทางวาจา และทางใจให้สะอาดเพราะการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่สะอาดที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองให้แก่ใจนั่นเองการกระทำทางกายทางวาจาและทางใจนี้ทำให้เกิดความสุขก็ได้ทำให้เกิดความทุกข์ก็ได้ การกระทําทางกายทางวาจาทางใจที่สะอาดนําความสุขมาให้ส่วนการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่สะอาดที่โสโปรกก็จะนําความทุกข์ความไม่สบายใจมาให้ในช่วงที่เราต้องทํามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขทางร่างกายเรามักจะ การทำทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่สะอาดที่สะกะปรกที่ทําให้เรามีความเศร้าหมองมีความทุกข์มีความไม่สบายใจกันดังนั้นเพื่อบรรเทาความไม่สบายใจความเศร้าหมองความทุกข์ใจเราจึงต้องมาชาระการกระทา ทางกายทางวาจาและทางใจที่ไม่สะอาดกันเหมือนกับเสื้อผ้าเลยที่เราสวมใส่เมื่อเราสวมใส่แล้วก็เป็นธรรมดาที่มันจะต้องปเปื้อนแล้วก็ถ้าจะใส่ไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้รู้สึกไม่สบายขึ้นมาเราจึงมากจะอาบน้ำอาบท่า แล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่กันเพราะร่างกายที่สะอาดเสื้อผ้าที่สะอาดทำให้เราสบายทำให้เรามีความสุขนั่นเองการกระทาของเราก็เหมือนกันการกระทาที่ไม่สะอาดที่เรียกว่าอคุศลทำแล้วก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาวันพระท่านจึงเรียกว่าวันชำระกายวาจาใจให้สะอาด ชำระการกระทําที่เป็นอกุศลทั้งหลายด้วยการกระทําที่เป็นกุศลการกระทําทางกายที่เป็นอกุศลนี้ก็มีอยู่3คือ1การฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามดฆ่ า, มาแมลงนี่ก็เรียกว่าเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์การลักทรัพย์เอาของของคนอื่นโดยที่เขาไม่อนุญาต แล้ก็การประพฤติผิดปเวณีการที่เราไปร่วมหลับนอนกับคนที่ไม่ใช่เป็นสามีภรรยาของเราเรียกว่าเป็นการประพฤติผิดประเวณีการกระทำสามอันนี้ทางกายจะทำให้มีความไม่สบายใจทำให้มีความเศร้าหมองแก่จิตใจวิธีที่จะแก้ก็คือ เรามาละเว้นการกระทาที่เป็นอกุศลเสียเช่นวันพระเป็นวันศีลวันรักษาศีลศีลห้าเราก็จะมาละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีถ้าเราทำแล้วใจความไม่สะอาดทางทางกายก็จะหายไป ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาความเศร้าหมองก็จะหายไปส่วนการกระทาทางวาจาก็มีอยู่4คือ 1. การพูดบท 2. การพูดคำหยาบ 3. การพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดคำว่าส่อเสียดแปลว่า การพูดยุยงให้เกิดความแตกแยกสามัคคียุยงให้คนทะเลาะกันเรียกว่าเป็นการพูดส่อเสียดการพูด4ี่ประการนี้พูดไปแล้วทำให้ใจไม่สบายทำให้ใจเศร้าหมองก็ถ้าอยากจะให้ใจสบายไม่เศร้าหมองก็มาระเว้นการกับการพูดที่ไม่ดีทั้งสประการนี้ คือให้พูดความจริงอย่าพูดปดสองให้พูดคำที่สุภาพอย่าพูดคำหยาบพรุศวัดแล้วก็ให้พูดสิ่งที่มีสาระมีประโยชน์เช่นพูดเรื่องวิชาความรู้ต่างๆการมีวิชาความรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ อันนี้พูดกันแล้วฟังคนฟังก็ได้ประโยชน์ได้ความรู้ที่สามารถที่จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าพูดตาหนิคนนั้นดา่าคนนี้วิพากวิจาร์คนนั้นวิพากวิจาร์คนนี้อันนี้ไม่เกิดประโยชน์แล้วก็ข้อที่สี่ ก็คือให้พูดอย่าพูดยุโยงให้เกิดความแตกแยกสามะคีอย่าพูดให้คนเข้าทะเลาะวิวาทกันพูดให้คนปรองดองกันรักกันสามะคีกันเพราะความปรองดองกันรักกันสามะคีกันนำความสุขมาให้นั่นเองส่วนการพูดเพื่อให้ความแตกแยกเกิดความแตกแยกเกิดความแตกสามคีโกรธเกียดกันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ เกิดความวุ่นวายใจกันนี่คืออกุศลทางวาจามีสี่ประการเราก็ต้องมาพูดความจริงพูดคำวาจาที่สุภาพพูดเรื่องที่มีสาร ะ, ะจะเป็นเรื่องทางโลกก็วิชาความรู้ต่างๆพูดเรื่องธรรมะก็ได้พูดธรรมะก็มีประโยชน์มีสาระ แล้วก็ให้มาพูดเพื่อให้เกิดความปรองดองกันรักกันสามัคคีกันให้ให้อภัยกันเวลาใครทะเลาะกันก็บอกว่าให้ถอยกันไปคนละก้าวกลับไปตอนจุดที่เรายังไม่ได้ทะเลาะกันเมื่อก่อนเราไม่ทะเลาะกันเราก็อยู่กันได้มีความสุขเราก็ถอยไปตรงจุดนั้นเรื่องที่ไม่เห็นกันก็เก็บไว้ในใจ อย่าเอา อ, อกมาฟาดกันฟันกันเพราะไม่เกิดประโยชน์เพราะเขาก็ไม่ยอมเราก็ไม่ยอมอเมื่อต่างฝ่ายต่างไม่ยอมต่างฝ่ายก็แยกกันดีกว่าแยกกันอยู่แยกกันไปเมื่อร่วมกันไม่ได้ทางกิจร่วมกันไม่ได้ก็อย่าร่วมกัน อ, อย่าตีกันอย่าสร้าง ความเสียหายให้แก่กันและกันระงับความเห็นที่ไม่ตรงกันเสียอย่างที่โบราณก็บอกว่าให้ประสานส่วนเหมือนสงวนส่วนต่างถ้าจะพูดก็พูดเรื่องที่เรามีความเห็นตรงกันพูดแล้วก็จะทำอะไรกันได้ร่วมกันทำอะไรให้เกิดประโยชน์ได้ ส่วนความเห็นที่ไม่ตรงกันก็เก็บเอาไว้อย่าเอามาพูดกันคนหนึ่งว่าการดื่มสุราดีเอกคนนึงว่าดื่มไม่ดีก็อย่าเอามาเถียงกันคุณว่าดื่มดีคุณก็ดื่มไปก็แล้วกันแล้วว่าเราเดื่มไม่ดีเราก็ไม่ดืม่มแต่ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นให้มาทะเลาะกันให้เกิดความแตกแยกกัน อย่างนี้ก็จะอยู่ร่วมกันได้ yeah. เพราะคนเราก็มีนานาจิตตังมีความชอบความชังไม่เหมือนกันสิ่งเดียว ส, สิ่งอย่างเดียวกันคนหนึ่งชอบอีกคนหนึ่งชังก็ได้ง yeah. ั้นก็อย่าเอามาเป็นประเด็นทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันแตกแยกกันหรือ ไปยุโยงให้คนอื่นเขาแตกแยกให้เข้ามาเป็นพวกเราเราชอบอย่างนี้ก็ไปยุโยงให้คนที่ชอบเหมือนกันมาเป็นพวกเราแล้วให้ไปเกียดพวกที่เขาไม่ชอบนีถ้าเดี๋ยวบ้านบ้านเมืองสังคมก็จะเกิดความแตกแยกกันอยู่กันอย่างไม่มีความสุขเวลามีความแตกแยกกันขึ้นมาแล้วอกุศลทางใจก็มีอยู่สาม คือความโลภความโกรธและความหลง เ, เวลามีความโลภใจจะไม่สบายาจะอยู่ไม่เป็นสุขเวลาโกรธก็กินไม่ได้นอนไม่หลับ เ, เวลาหลงก็หวาดกลัววิตกกังวลห่วงใ ย, ยเรื่องราวต่างๆทำให้ใจไม่สบาย เราต้องมาระงับความโลภความโกรธความหลงวิธีระงับความโลภก็ต้องไประงับที่ความหลงเพราะความหลงเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาความหลงก็คือการเห็นว่าการมีเงินทองมากๆจะมีความสุข การจะมีตำแหน่งสูงๆจะมีความสุขการมีหน้ามีตามีคนยกย่องสรรเสริญมีชื่อมีเสียงมีความโด่งดังจะมีความสุขหรือการที่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจะมีความสุขถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้มันก็จะทําให้เกิดความโลภอยากได้เงินทอง อยากได้เป็นใหญ่เป็นโตอยากมีชื่อมีเสียงมีหน้ามีตาอยากจะให้มีคนยกย่องสรรเสริญเยืนยอแล้วก็อยากจะหาความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายก็จะนำไปสู่ความโลภความอยากได้พอเกิดความโลภแล้วไปแสวงหาสิ่งที่อยากได้ เวลาไม่ได้ก็เกิดความโกรธขึ้นมาเวลาใครมาขวางเราขัดขวางการหาของที่เราอยากได้ก็จะทำให้เราโกรธเขาขึ้นมานี่คือความโลภความโกรธความหลงเริ่มต้นที่ความหลงวิธีที่จะแก้ความหลงก็ต้องไปหาคนที่ไม่หลง คนที่ไม่หลงในโลกนี้ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกนี่ท่านก็เคยหลงแต่ตอนหลังท่านมาศึกษาความจริงท่านก็เห็นว่าราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพานี้มันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขอย่าไปหามันหามันแล้วจะทุกข์เพราะเวลาโลภ ก, ก็ทุกข์แล้ว เวลาโลภนี้ก็อยู่ไม่เป็นสุขลกะกวนกะวายกรับก็สายเวลาอยากจะได้อะไรนี้ถ้ายังไม่ได้นี้ก็จะหงุดหงิดลำคาใจและถ้าใครมาขัดขวางก็จะโกรธคนที่มาขัดขวางนี่คือการสร้างความไม่สบายใจด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าสิ่งที่เราโลภเราอยากได้นี้ มันทำให้เราไม่สบายใจไม่ได้ทำให้เราสุขใจเหมือนคนที่ติดยาเสพติดอย่างนี้มันไม่ดีหรอกใครๆก็รู้ว่าการเสพยาเสพติดไม่ดีแต่คนที่เสพทำไมเขาเสพเพราะเขาคิดว่ามันดีเวลาเสพแล้วมีความสุขขณะที่เสพนี่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แต่พอลิธยาหมดไปก็เหมือนตกลงมาจากสวรรค์ ตกมาลงนรกพอเกิดความอยากก็เกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วถ้าไม่ได้เสกก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งทุกข์ใหญ่อันนี้ก็เหมือนกันเวลาเราโลกเราอยากได้อะไรนี่ก็ถ้าได้มาก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์อยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวก็ ม, มีความสุขเหมือนได้ไปเที่ยวไม่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ อกลับมาถึงบ้างก็เหมือนกระตกลงมาจากสวรรค์แล้วก็อยากจะไปสวรรค์ใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่ถ้าเกิดไปไม่ได้เงินหมดไม่เงินไม่พอใช้หรือนั่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยตอนนั้นก็จะอยู่ในนรกแทนอยากจะไปก็ไปไม่ได้อยู่บ้านก็หกงุดหงิดลำคารใจเศร้าซ้อยหงอยเหงาถ้าอยู่นานๆก็จะซึมเศร้าเนื้อ คนที่เป็นโรคซึมเศร้านี้ก็เกิดจากความที่ไม่ได้ทําตามความอยากนี่เองคนที่เป็นโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่จะเป็นคนแก่คนเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่จะตายมักจะเป็นโรคซึมเศรา้ากันเพราะไม่สามารถาหาความสุขตามความอยากได้อันนี้เป็นทุกข์ที่ชี้นี่ให้เห็นทุกข์ว่า การหาราบยศสรสเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่หาความสุขเหมือนการหายาเสพติดหาแล้วก็ต้องหาไปเรื่อยๆไม่มีวันจบสิ้นหามาได้มากได้น้อยก็ไม่พอต้องหาอยู่เรื่อยๆเช่นหาเงินเนี่ยหาได้หมื่นก็อยากจะได้แสน แสนก็อยากจะได้ล้านได้ล้านก็อยากจะได้สิบล้านการหานี่มันต้องมีเป้าหมายมีเหตุมีผลถึงจะไม่เป็นอันตรายต่อจิตใจเช่นที่เราต้องหาเพราะเราต้องกินต้องอยู่เราก็ดูเสียว่าการกินการอยู่ของเรานี่ต้องมีสักเท่าไหร่ถ้าหาได้พอแล้วก็ควรที่จะหยุด หรือถ้าว่าหามาแล้วมันได้มากกว่าที่เราต้องมีก็อย่าเอาไปซื้ อ, อยาเสพติดของใจกันยาเสพติดของใจก็คือการซื้อของตามความอยากต่างๆซื้อของที่ไม่จำเป็นที่ต้องซื้อแต่อยากซื้อไอโฟนรุ่นเจ็ดออกมาแล้วเนี่ยดูซิว่าใครจะหลงหรือใครไม่หลงถ้า มีของเก่ายังใช้ได้อยู่แล้วอยากได้ของใหม่โดยไม่มีเหตุมีผลได้เพราะอยากได้เนี่ยเอาเงินที่จะไปซื้อ iPhone 7นี้ไปทำบุญจะได้ประโยชน์กว่าซื้อ i p h o n เ7ก็ไปซื้อความทุกข์เพิ่มขึ้นซื้อภพชาติเพิ่มขึ้นเพราะมันไปซื้อความอยากให้มีมากขึ้นถ้าใช้เหตุใช้ผลว่าเอของเก่าก็ยังดีรุ่น6กก็ยังดีอยู่ ยังใช้ได้ทุกอย่างเหมือนเดิมทำไมต้องไปซื้อเมื่อก่อนไม่มีเจ็ดมันทำไมอยู่ได้ทำไมพอมีเจ็ดปั๊บนี่ไอ้หนี่กลายเป็นของของขยะไปซะแล้วนี่ความหนงมันจะหลอกให้เราเกิดความอยากขึ้นมาแล้วก็ทำให้เราเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุเงินทองนี้ก็จะทำให้ เป็นโทษก็ได้เป็นคุณกับเราก็ได้ถ้าเราเอาเงินทองไปใช้ตามความอยากมันก็จะไปเพิ่มความอยากให้มากขึ้นเดี๋ยวมันก็อยากจะได้รุ่นแปดรุ่นเก้านะรุ่นเจ็ดมาแนละ้วเดี๋ยวพอได้รุ่นเจ็ดแล้วก็พอรุ่นแปดออกมาก็รุ่นเจ็ดก็ไม่มีความหมายแนละ้วต้องเอารุ่นแปดมันก็จะทำให้เราต้องเครียดกับการหาเงินหาทอง แล้วก็มาซื้อแล้วถ้าเกิดหาไม่ได้ไม่ได้ซื้อก็รู้สึกน้อย อ, อกน้อยใจรู้สึกว่าไม่มีหน้ามีตาเหมือนคนที่เขามีรุ่นเจ็ดเราใช้รุ่นหเรา้สึอกว่ามันด้อยกว่าเขา อ, อันนี้เราต้องฝืนเราต้องอยู่บนเหตุผลอย่าไปอยู่กับความรู้สึกเพราะความรู้สึกนี้มันได้เท่าไหร่มันก็ไม่พอ ความเหตุผลก็คือว่ามันใช้ได้หรือไม่ใช้สิทธตามที่เราต้องการได้หรือเปล่าใช้งานได้หรือไม่พอหรือไม่พอเพียงหรื อ, อยังถ้าใช้ได้พอเพียงก็ยังไม่ต้องซื้อถ้าจะซื้อรอให้มันเสียก่อนซ่อมไม่ได้ก็ค่อยซื้อใหม่ถ้าซื้อด้วยเหตุด้วยผลนี่มันก็จะทำให้เราลดความโลภความอยากลงได้ ทำให้เราไม่ต้องไปเครียดกับการหาเงินหาทองแล้วไม่ต้องไปเสี่ยงกับการไปทำอกุศลทางกายก็คือจะไปลักทรัพย์ไปช่อโกหรือเสี่ยงกับอกุศลทางวาจาก็คือจะไปพูดปดไปโกหกหลอกลวงดนั้นเราต้องมาแก้ความหลงว่าการทำตามความอยากการหาเงินทอง มากเกินความจำเป็นนี้เป็นการหาความทุกข์ไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการสร้างภพชาติให้มีมากขึ้นไปไม่ใช่ให้มีน้อยลงไปภพชาติก็คือการเกิดแก่เจ็บตายที่เรากำลังเป็นอยู่ขณะนี้เรามาเกิดแล้วเราก็ต้องมาแก่มาเจ็บแล้วก็มาตายเวลาแก่ก็ทุกข์เวลาเจ็บก็ทุกข์เวลาตายก็ทุกข์ ซึมเศร้ากันเศร้าซ้อยหงอยเหงากันไม่อยากจะอยู่กันบางคนแก่แล้วหาความสุขไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายจะต้องตายก็อยากจะตายก่อนที่มันจะตายเพราะอยู่ก็ไม่มีความสุข ม, มีแต่ความทุกข์เพราะหลงกับการหาความสุขที่ เวลาแก่เจ็บตายไม่สามารถจะหาได้นั่นเองเห็นเราต้องเลิกหาความสุขแบบนี้กันเลิกหาเงินทองเพื่อมาซื้อความสุขต่างๆหาเงินทองเพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายอย่างนี้ใช้ได้แต่อย่าหาเงินทองมาเพื่อให้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อรถยนต์ขนาดห้าล้านสิบล้านซื้อบ้าน หลังละร้อยล้านซื้อเสื้อผ้าชุดละหมื่นชุดละแสนของพวกนี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อแล้วมันติดเวลาไม่ได้ซื้อก็จะงหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุขทั้งทง ท, งที่มีข้าวของเยอะแยะไปหมดแต่มันพอซื้อมาแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรแล้วเสื้อผ้าซื้อมากี่ชุดนี้ อยู่ในตู้เต็มไปหมดเห็นแล้วไม่มีความสุขเลยไม่เหมือนกับเห็นเสื้อผ้าในร้านเห็นเสื้อผ้าในร้านมีเห็นแล้วโอ้โีความสุขละเกินพอย้ายมาจากร้านมาใส่ตู้เราปั๊บก็กลายเป็นไม่มีความสุขแล้วงั้นอย่าไปซื้อมันไม่ดีกว่าปล่อยมันอยู่ในร้านะ่ะเห็นมันก็ได้มีความสุขพอแล้วพอมีความสุขจากการเห็นก็พอแล้วแล้วก็กลับไปใส่ชุดเก่าต่อไป เดี <outh Spanish> ๋ยวพรุ่งนี้ก็มาดูชุดใหม่ก็จะเห็นอ้อเห็นแล้วก็สุกเวลาเบื่อชุดเก่าก็มาดูชุดใหม่แต่อย่าไปซื้อเห็นก็พอพอซื้อมาแล้วมันก็กลายเป็นชุดเก่าไปพอเป็นชุดเก่าแล้วมันก็เบื่อมันก็ไม่อยากจะได้นะยังให้มันอยู่ที่ร้านดีกว่ามันจะได้อยากไปเรื่อยๆอยากแบบไม่เสียเงินดีกว่าแบบอยากแบบเสียเงินเสียเงินแล้วก็ต้องเสียอยู่เรื่อย แล้วนะนะเงินทองก็ไม่แน่นอนเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็กยุ่งแล้วสิวุ่นวายแล้วิเงินทองไม่พอใช้ขึ้นมานะก็เป็นความทุกข์อีกแล้วเนะี่ยเรากำลังหาความทุกข์กันถ้าเราหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนะถ้าเราเห็นเล่าเป็นความทุกข์เราก็จะลดความโลภความอยากได้เงินทองอยากได้ลาบยศสรรเสริญอยากได้ ความสุขทางตาหูจมูกร่างกายกันได้เมื่อเราลดความโลภได้ความโกรธก็จะน้อยลงที่เราโกรธกันทุกวันนี้ก็เพราะไม่ได้ดังใจอยากใช่พออยากได้อะไรพอไม่ได้ดังใจก็โกรธโมโหเสียใจน้อยใจนี่คืออริุศลทางใจสามประการต้องแก้ด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังความรู้ของคนที่รู้ความจริง พระพุทธเจ้าพระอามาลตาสาวกว่าท่านรู้ว่าลาบยศจารเสริญความสุขทางตาหูจมู ก, กนิ้วไกยนี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนอเวลามีก็ดีเวลาไม่มีก็กลายเป็นความทุกข์ไปมีมีเจริญมีเสื่อมอแล้วก็มันก็เป็นไม่ใช่เป็นของเราที่แท้จริง วันใดวันหนึ่งมันก็จะจากเราไปได้หรือวันใดวันหนึ่งเราก็อาจจะจากเขาไปได้พอเวลาจากกันก็เป็นเวลาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันนี่คืออ น, นิจังทุกขังอนาตาให้มารู้ความจริงว่าสิ่งที่เรากำลังหากันอยู่กาลังโลภกันอยู่นี้มันเป็นทุกข์เหมือนเป็นการหายาพิษ ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราไปซื้อมาเป็นยาพิษเราจะไปซื้อไหมที่เราไปเห็นว่ามันเป็นขนมพอเวลากินมันก็อร่อยแต่มันจะกลายเป็นยาพิษตอนที่มันไม่มีกิ่นเลเวลาอยากกินแล้วไม่มีกินมันก็จะกลายเป็นพิษกับกับจิตใจทำให้ใจต้องทุกข์ต้องกัวงวลกาวาวลวิธีที่เราจะสามารถ หยุดความโลภได้นอกจากการฟังธรรมอย่างเดียวนี้เรายังไม่มีกําลังตอนนี้เรารู้แล้วว่าราบยุศและเสิญสุขเป็นทุกข์แต่พูดยังไงก็ยังไม่หาอยู่นั่นแหละเดี๋ยวออกไปก็ไปซื้อเครื่องใหม่นะเพราะมันหยุดกิเลสไม่ได้หยุดความโลภไม่ได้เราไม่มีกําลังสู้มันตอนนี้มันมีกําลังมากกว่าเราพระุธเจ้าจึงสอนให้เรามา สร้างกำลังสู้กับมันวิธีที่เราจะสู้กับกิเลสนี่เราต้องปฏิบัติธรรมเราต้องมาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบเวลาเราทำใจให้สงบเราก็จะหยุดกิเลสได้วิธีที่จะหยุดกิเลสก็ให้หยุดความคิดอย่าคิดคิดแล้วมันก็จะทาให้เกิดความอยากคิดถึงโทรศัพท์รุ่นใหม่ก็อยากจะได้ เมืสองวันก่อนไม่เคยคิดเพราะมันยังไม่มีออกมาก็ไม่มีความอยากได้เพราะรู้ว่าอยากได้ก็ไม่ได้อยู่ดีแต่ตอนนี้อยากได้แล้วถ้าอยากได้แล้วรู้ว่าได้แน่ๆทีนี้ก็อยากได้แล้ววิธีที่ไม่อยากได้ก็อย่าไปคิดถึงมันให้คิดถึงพุทโธเจ็ดไปแทนพุทโธเจ็ดพุทโธ <c oughs> <c oughs> เอาพุทโธเจ็ดมาหยุดไอโฟนเจ ถ้าเราบังคับใจให้เราคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ปล่อยให้มันไปคิดถึงเรื่องเรื่องที่เราอยากได้เดี๋ยวเราก็ลืมพอเริมคิดถึงมันเราก็ไม่รู้สึกอะไรไม่รู้สึกเดือดร้อนมันจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่เดือดร้อนแต่เวลาเราอยากได้อะไรเราต้องมีพุโทโธมาช่วยหยุดมันนี่เรายังไม่มีพุโทโธกันเราพุโทโธไม่เป็นกัน ถ้าเป็นเด็กก็ยังอ่านกอไก่ขอไข่ไม่เป็นกันแล้วก็ต้องมาหัดท่องกอไก่ขอไข่ก่อนเพื่อให้เราต่อไปจะได้จำได้เวลาจะอ่านหนังสือจะเขียนหนังสือจะได้เขียนได้อ่านได้ถ้าเรารู้จักกอไก่ขอไข่รู้จักสระอะสระอาตอนนี้เราไม่รู้เราก็เลยไม่สามารถที่จะอ่านได้เขียนได้ตอนนี้เราไม่มีพุทธโธกัน เราเลยไม่สามารถหยุดความคิดที่อยากจะได้สิ่งต่า ง, างๆได้ะฉะนั้นถ้าเราอยากจะหยุดความคิดได้หยุดความอยากได้เราก็จะต้องมีพุโทโธกันมาหัดท่องพุโทโธพุธโทโธกันถ้าเราหัดท่องไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะชินมันจะมันจะชนานาญเหมือนกับหัดร้องเพลงเนี่ย เพลงตอนต้นเราก็ร้องไม่ได้เพราะเราจำเนื้อไม่ได้แต่ถ้าเราเปิดเนื้อมาดูเรื่อยๆแล้วก็ร้องไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะจำได้ต่อไปก็ร้องเพลงได้โดยไม่ที่ต้องไปเปิดหนังสือดูเนื้อเป็นการฝึกฝนอบรมจิตใจให้คิดไปในทางที่จะหยุดความคิดต่างๆการคิดอยู่กับพุโทโธพุทโธนี้ แต่ทำให้เราไม่สามารถไปคิดเรื่องต่างๆได้หรือเวลาเกิดเรื่องต่างๆเราก็เอาพุโทโธมาหยุดกันได้ตอนต้นนี้เราต้องพุโทโธบ่อยๆพุโทโธให้มากพุโทโธจนสามารถที่จะใช้อามาใช้งานได้ตอนนี้เรายังใช้งานไม่ได้พอเกิดความโลภนี้พุโทโธไม่ออกเลยมีแต่อยากอย่างเดียวอยากได้อย่างเดีย ว, วเราต้องมาหัด มาฝึกท่องพุโทโธกันพุโทโธก็ได้ทมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรือจะสวดอิติปิโสไปก็ได้ขอให้ใจเราอยู่กับเรื่องที่ไม่มีความโลภไม่ได้สร้างความโลภสร้างความอยากก็ใช้ได้เหมือนกันสวดวนไปก็ได้อิติปิโสรอรหังสัมมาสวาขาโตไปพุทธังสรนังกชามิไป ถ้ามีการสวดอย่างนี้ไปความคิดที่จะคิดไปในทางความโลภความอยากได้สิ่งต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเรานั่งอยู่เฉยเฉยได้ให้อยู่กับพุทธโธอย่างเดียวได้เดี๋ยวใจก็จะสงบนิ่งพอใจนิ่งแล้วก็จะเย็นจะสบายจะมีความอิ่มเกิดขึ้นมาในใจจะรู้สึกว่าไม่อยากได้อะไร ไอโฟนไอโฟนี่ไม่อยากได้เลยพอได้ความสงบแล้วได้ความสุขแล้วไม่มีอะไรจะสุขเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบนี่คือจุดที่เราต้องไปให้ได้ถ้าเราไปถึงจุดนั้นแล้วเราก็จะใช้ธรรมที่พระเจ้าสอนให้เราให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ได้ตอนนี้เรารู้ว่ามันเป็นทุกข์เราเห็นว่ามันเป็นทุกข์แต่ เราก็ยังคิดว่ามันยังทุกน้อยกว่าการที่ไม่ได้มันใช่เวลาอยากแล้วไม่ได้มันนี่มันทุกกว่าตอนอย่างน้อยได้มันมาแล้วมันยังสุขแล้วเวลามันไม่ได้ข่าวต่อไปก็ช่างหัวมันแต่ตอนนี้ยังได้อยู่ก็เอามันไว้ก่อนแต่ไม่แน่ต่อไปมันต้องเจอสักวันหนึ่งที่เอาไม่ได้เนี่ยตอนเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่ว ย, เ, ยเวลาจะตายเนี่ยมันจะไม่ทาตามความอยากไม่ได้ วเวลานั้นนะ่ะมันจะซึมเศร้ามันจะเครียดมันจะทุกข์และบางทีมันอยากจะฆ่าตัวตายเพราะมันทนความทุกข์ทนความซึมเศร้าไม่ไหวนี่คือวิธีที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาชําระเครื่องเศร้าหมองต่างๆคืออากุศลกิเลสตัณหาเป็นตัวที่มาสร้างความ ไม่สบายใจให้กับพวกเราถ้าเราไม่มีกิเลสตัณหามไม่มีอกุศลนี้เราจะมีความสุขไม่ว่าเราจะรวยหรือจะจนไม่ว่าเราจะแก่หรือจะเจ็บหรือจะตายนี้มันไม่สามารถที่จะมาทำให้เราทุกข์ได้เลยการไม่มีอกุศลสิบประการนี้จะทำให้ใจเราผ่อผงใสแจ่มใสสดชื่นเบิกบานอิ่มเอิบใจ เบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจอันนี้แหละเป็นความสุขที่แท้จริงเป็นที่พึ่งที่แท้จริงจะทำให้เรามีความสุขไปตลอดที่พึ่งทางอื่นเป็นที่พึ่งชั่วคราวลาบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นที่พึ่งชั่วคราวพึ่งในขณะที่มีเวลาไม่มีก็ ก็หมดไปก็ไม่มีที่พึ่งเวลาเงินทองหมดนี่ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันเวลามีเกียตรติพอไม่มีก็จะอยากจ ะ, ะดําดินไปไม่อยากจะออกไปข้างนอกไปเจอหน้าเจอตาใครพะอับอายขายหน้าเคยมีชื่อมีเสียงเคยมีอำนาจวาสนาแล้ววันดีคืนดีก็หมดไปนี่ มันไม่มีอะไรแน่นอนของพวกนี้มันมีขึ้นมีลงมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่อมเวลาเจริญเวลาเกิดก็ดีอกดีใจกันเวลาเสื่อมเวลาดับก็เสียอกเสียใจกันแต่เราไปห้ามมันไม่ได้ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้มันจะจากเราไปเมื่อไหร่มันก็ไปมันจึงไม่เราจึงต้องไม่ถือว่ามันเป็นของเรา ต้องคิดว่าเป็นของยืมเข้ามาเป็นของที่เขาให้มาแล้วเดี๋ยวเขาก็มาขอคืนไปมายึดคืนไปไม่ขอยึดเลยเวลาก็จะเอาไปนี่เขาเอาไปเลยเวลาจะเอาแฟนเราไปนี่เขาเอาไปเลยเขาไม่มาขอเอาใส่ลงไปเล ย, ยให้เห็นความจริงเหล่านี้เราจะได้กลัว จะได้ไม่ไปหาของเหล่านี้เพราะในบ้านปลายมันจะนำเราไปสู่ความซึมเศร้าสู่ความเศร้าหมองอยู่ความว้าเหวอยู่ความหงุดหงิดลาคาญใจให้มาหาสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขตลอดเวลาก็คือให้มาชำระอกุศลทั้งสิบนี่ชำระอกุศลทางกาย คือการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีอกุศนทางวาจาก็คือการพูดปดการพูดคำหยาบการพูดเพ้อเจ้อการพูดส่อเสียดแล้วก็มาชําระความโลภความโกรธความหลงด้วยการฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยการเจริญสติให้ มีสติหยุดความคิดสร้างสติด้วยการท่องพุทโธพุทโธไปภายในใจอัดท่องไปเรื่อยๆเวลาเกิดความโลภก็จะได้ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือเกิดความโกรธก็พุทโธพุทโธไปพอเราลืมเรื่องที่ทำให้เราอยากได้โลกหรือเรื่องที่ทำให้เราโกรธความโลภก็หายไปความโกรธก็หายไปความไม่สบายใจก็หายไป แล้วเราก็จะได้มีกำลังทําตามที่พระเจ้าสอนคืออย่าไปหานาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาหาความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่ามานั่งสมาธิําใจให้สงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็มาตัดความโลภทุกครั้งที่อยากได้อะไรก็ตัดไป อยากได้รูปเสียงกลิ่นรสก็ตัดไปอยากได้ลาบยศสรรเสริญก็ตัดไปถ้าจะมีก็มีเท่าที่จําเป็นมีพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขจะไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาก็เพราะกุศลทั้ง10ประการนี้ไปทําผิดทางกายก็มีปัญหาเดี๋ยวเขาก็ตามเร า, เราจับเราเข้าคุกเข้าตารางไป ไปช่อโกงเห็นไหมสนธินี่ติดคุกยี่สิปีเผดพรบรหลักทรัพย์ใช่ไไปช่อโกงเงินทองนี่ก็เรียกลักทรัพย์นี่อกุศลทางวาทางกายเนี่ยนำไปสู่ความทุกข์ไหนำไปสู่การติดคุกติดตารางไหแล้วกว่าจะติดคุกติดตารางนี้ก็ต้องเครียดกับการไปต่อสู้คดีเป็นกี่ปีได้กัน ไม่มีความสุขเลยไปทําทําไมเงินไม่ใช่ของเราอย่าไปเอามาดีกว่าที่มันโลภไงมันอยากจะได้อยากจะได้ข้าวของอยากจะซื้อนั่นซื้อนี่อยากจะไปเที่ยวอยากจะมีของหรูหรือหลาหลามันก็ต้องใช้เงินทองซื้อรถกันละยี่สิบล้านไปเที่ยวเมืองนอกเมืองนากันมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองกันนะ เมื่อเงินหาเองไม่ได้ก็หาของคนอื่นมาใช้ก่อนอยืมของคนอื่นมาก่อนโดยที่ไม่ไปบอกเขาพอเขารู้เขาก็ไม่ยอมเสยก็ <c oughs> <c oughs> ฟ้องร้องกันขึ้นลงขึ้นศาลกันนี่แหละคือเรียกว่าเรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์นี่มันก็มาจากอากุศล น, นี่แหละค่าเขาก็ต้องจูก็จับไป ขังคุกขังตารางประหารชีวิตช่อโกงทรัพย์ของผู้อื่นไปประพิติผิดประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของคนอื่นเดียวก็ถูกเขาตามฆ่าเาะฉั้นมาชำระกันนะอกุศนทางกายการฆ่าการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีอกุศลทางวาจาก็อย่าไปโกหกหลอกลวงพูดความจริง พูดวาจาที่สุภาพแล้วจะไม่มีใครเกลียดเราพูดคำหยาบก็มีแต่คนรังเกียจไม่มีใครอยากจะฟังเสียงวาจาที่หยาบคายวาจาหยาบคายวาจาที่ที่เป็นพุษธสว่านี้ก็เป็นเหมือนกับขยะดีๆขยะทางวาจาวาจาสุภาพนี่ก็เป็นเหมือนกับของสวยของงาม ใครได้ยินได้ฟังว่าจาที่สุภาพก็จะชอบฟังแล้วสบายใจสบายหูพอฟังวาจาอยากคาย ก, ก็สปกปรกสกปรกหูไม่อยากจะฟังแล้วพูดจะพูดก็พูดเรื่องที่มีสาระประโยชน์คนฟังฟังแล้วก็อยากจะฟังนถ้าไปฟังเรื่องนินทาการเลดา่าคนนั้นหวาคนนี้บางทีฟังแล้วก็ หดหูใจลาคาญใจไม่อยากจะฟังแล้วทำให้คำพูดของคนพูดนั้นมันไม่มีน้ำหนักไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีประโยชน์ไม่มีใครอยากจะฟังคุยฟังคนพูดอย่างนี้เสียเวลาไปฟังคนพูดที่มีประโยชน์ดีกว่า mm hmm. เช่นมาฟังธรรมะนี่นั่งฟังทีวันสองชั่วโมงฟังกันได้ฟังแล้วมันได้ไปได้ทาให้ใจมีความสุข ได้เอาไปแก้ปัญหาต่างๆได้เอ้นพูดธรรมะดีกว่าพูดสิ่งที่มีคุณประโยชน์แล้วเราจะเป็นคนที่มีคนอยากจะฟังแล้วก็อย่าไปพูดให้เกิดความแตกแยกสามัคคีกันเพราะเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครอยากจะคบด้วยคนนี้ไปอยู่ที่ไหนวงแตกทุกทีไปอยู่ที่ไหนก็ไปยุให้เขาทะเลาะกันไปตีกัน เ, เอาเรื่องของเรื่องไม่ดีของคนนั้นมาให้คนนี้ฟังเอาเรื่องไม่ดีของคนนี้ไปให้คนนั้นฟังเดี๋ยวก็เขาก็ะไรเกลียดกันขึ้นมากันเรื่องดีชั่วของคนอื่นอย่าไปพูดถ้าจะพูดพูดเรื่องความดีของเขาดีกว่าคนเรามันมีทั้งดีมีทั้งชั่วมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ไม่มีใครดีไปหมดหรอกไม่มีใครชั่วไปหมดเหตุนั้นถ้าอยากจะพูดก็พูดเรื่องความดีของเขาดีกว่าไม่เกิดความเสียหาย ทั้งกับคนพูดเองหรือกับคนที่ถูกพูดแต่พูดเรื่องไม่ดีของเขานี่เดี๋ยวคนที่เขาได้ยินว่าเราไปพูดเรื่องไม่ดีของเขาเดี๋ยวเขาก็มาโกรธเราได้เขาก็จะมาด่าเราได้ม า, มาทุบมาตีเราได้เพพยายามพูดแต่เรื่องที่ดีพูดแต่เรื่องดีของคนอื่นการที่เราจะพูดเรื่องของความดีของคนอื่นได้เราก็ต้องอ ต้องศึกษาว่าเขามีอะไรดีบ้างอย่าไปศึกษาแต่เรื่องที่ไม่ดีของเขาเราก็มาทาละอกุศลทางใจความโลภความโกรธความหลงด้วยการมาฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะจากพระพุทธเจ้าจากพระอรหันตสาวกแล้วเราจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเราจะรู้ว่า ราบยศสรรเสริญสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ไม่ดีเราก็จะไม่มีความโลภในเรื่องราวเหล่านี้เรื่องดีเราจะมาโลภในเรื่องที่ดีโลภในเรื่องทาบุญเรื่องโลภในเรื่องนักษาศีลโลภในเรื่องปฏิบัติภาวนานั่งสมาธิโลภอย่างนี้โลภได้ยิ่งโลภเท่าไหร่ ย, ยิ่งดีอยากจะทำบุญทาทานเท่าไหร่ทำไปเลยมีเท่าไหร่ทำไปเลย แต่ว่าอย่าไปทำจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนต้องไปขอเงินคนอื่นมากินก็แล้วกันให้ทำในส่วนที่เรามีเกินที่เราไม่ต้องใช้ตายไปก็เอาไปไม่ได้ส่วนนั้นเอาไปทำบุญแต่ส่วนที่เรายังต้องใช้ต้องกินอยู่ก็เก็บเอาไว้ไม่ใช่ว่าพอไม่มีไม่มีก็อยากจะทำบุญก็ไปหาเงินมาเพื่อมาทำบุญอันนี้ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นอันนั้น ผิดจุดประสงค์ของการทําบุญทําทานทาบุญทําทานเพื่อสกัดการใช้เงินที่จะไปใช้แต่ทางที่ไม่ถูกใช้ไปทําความอยากต่างๆเหมือนกับการไปซื้อยาเสพติดดีๆนี่เองอย่าไปใช้เงินแบบนั้นเนี่ยถ้าเราเอาเงินไปซื้อตามความอยากก็เหมือนกับไปซื้อยาเสพติดให้กับใจเพราะมันจะติดซื้อแล้วมันจะติดเอาเงินไปเที่ยวนี่มันก็จะติดมันก็อยากจะเที่ยวอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเราเอาเงินไปซื้อไปทำบุญนี่เหมือนไปซื้ออาหารให้กับใจซื้ออาหารใจได้อาหารใจก็จะอิ่มใจก็ไม่หิวจะไม่อยากเที่ยวจะไม่อยากได้อะไรการใช้เงินที่ถูกต้องต้องใช้เพื่อซื้ออาหารให้กับร่างกายและซื้ออาหารให้กับจิตใจซื้ออาหารให้กับร่างกายก็เนี่ยซื้ออาหารซื้อที่อยู่อาศัยซื้อเสื้อผ้านี่เรียกว่าซื้อให้กับร่างกาย ซื้ออาหารให้กับใจก็เอาไปทําบุญแต่อย่าไปซื้อยาเสพติดทั้งทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายก็ซื้อยาเสพติดสุรายาเมาต่างๆไม่เป็นประโยชน์ไม่จําเป็นจะต้องเสพของพวกนี้อันใดก็อย่าไปซื้อไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นเหมือนการซื้อยาเสพติดให้กับใจไวทเสพเนี่ยถ้าอยากจะโลภอยากจะได้ อยากจะทำก็ให้มาโลภ ก, กับการทําบุญทําทานโลภ ก, กับการรักษาศีลเพื่อมาชําระอกุศลทางกายทางวาจาแล้วก็มาโลภอยากอยากได้นั่งสมาธิอย่างฟังเทศฟังธรรมอย่างนี้โลภแบบนี้ดีโลภไปมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะยิ่งจะทําให้ความทุกข์หมดไปนั่นเองความโลภแบบนี้ไม่ได้ทําให้เกิดความทุกข์แต่เป็นการทําให้เกิดความสุขมากขึ้นไป นั้นเราต้องมาฟังเทศฟังธรรมกันเราถึงจะได้รู้ว่าเราควรจะโลภอะไรไม่ควรจะโลภอะไรเราไม่ควรโลภในาลากรสจระเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสเราควรจะโลภในทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะได้กําจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจแล้วเราก็จะได้มีแต่ความสุขไปตลอดแล้วก็ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไป ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าไปอยู่กับพระอรหันตาสาวกท่านสร้างบ้านรอเราอยู่แล้วบ้านของท่านก็คือพระนิพพานบรมณสุขปรมังสุขขังไม่มีวันเกิดไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายมีแต่ความสุขไปตลอดนี่คือหน้าที่ของชาวพุทธเราที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนดวันพระให้พวกเรามาทำหน้าที่ มาชำระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของกายวาจาใจนำความสุขมาให้นั่นเองการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรใครมีอยากใครมีคำถามอะไรอยากจะถามก็ถามได้นะ หรือใครมาที่หลังยังไม่ได้ถวายข้าวของอยากข้าข้ามาถวายก็ข้ามาได้ถ้าอยากได้หนังสือซีดีก็หยิบไปหนังสือมีประโยชน์เพราะจะทำให้เราดูเรื่องราวต่างๆที่ควรจะรู้ที่เรายังไม่รู้เรื่องวิธีสร้างความสุขที่แท้จริงเรื่องวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรา ให้มันหมดไปอ่าเชิญบัดดีวันนั้นได้เทปของหลวงตามหาบวตรกามีบทเรื่องจิตผ่ <7 S 1> องใสเป็นอวิชชาฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าใจใอาร่ทีหแหนก็คือถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจิตก็จะผ่องใสสะอาดขึ้นไปมากขึ้นมากขึ้นจนสว่างสวัย แต่ความสว่างสวยของจิตนั้นยังไม่ได้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่หลุดพ้นความสว่างสวยนั้นเป็นสว่างสวายของอวิชชาตัวอวิชชานี้ถ้าเข้าไปถึงมันแล้วมันจะสว่างสวยมากสว่างสวยนี้เป็นนิมิตที่มันเรียกว่าเป็นความรู้สึกเป็นความรู้สึกทางใจเหมือนมันสว่างสวายจ้าอยู่ในใจไอ้ตัวนั้นถ้าใคร ไม่รู้ก็จะคิดว่าถึงนิพพานแล้วแต่ความจริงตัวนั้นไม่ใช่นิพพานเพราะตัวนั้นมันยังไม่เที่ยงมันสว่างสวายได้เดี๋ยวมันก็เสื่อมได้ถ้าไม่สังเกตดูก็จะไม่รู้ก็จะไปักไปไปคิดว่าเป็นนิพพานก็จะไปรักษามันไปประครับประคองปกป้องรักษามันถ้ายังต้องไปปกป้องรักษาเพราะไม่อยากให้มันเสื่อม ก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่เพราะของจริงมันจะไม่มีวันเสื่อมของที่ของเสื่อมนี่ยังถือว่าไม่ใช่เป็นของจริงของยังของอที่ยังเสื่อมนี่ก็ถือว่ายังเป็นไตายักอยู่ยังเป็นทุกข์อยู่ความผ่องใสความสว่างสวายนี่มันก็ไม่ได้สว่างสวายตลอดเวลาเดี๋ยวมันก็มันก็เศร้าหมองลงมาได้ฉั้น ถ้าถ้าไม่เข้าใจก็จะไปคิดว่ า, าไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วได้หลุดพ้นแล้วแต่ถ้าหลุดพ้นจริงๆก็ไม่ต้องไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษาอะไรไม่ต้องทุกกับอะไรถ้ายังทุกกับความสว่างสวายนั้นอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ใช่ เ, เรียกว่ า, าวิชาคือความหลงความหลงตัวสุดท้ายเรียกอ่วิชา หลงอยู่กับแสงสว่างเนี่ยหลงคิดว่าความสว่างสวัยจิตที่เป็นประพัดสอนนี่เขาเรียกจิตประพัดสอนนี่นนเวลาปฏิบัติกรรมจัด ก, กิเลสไปเรื่อยๆพอกิเลสส่วนหยาบหายไปหายไปเหลือแต่ตัวละเอียดนี้<ม>จิตก็จะสว่างสวัยขึ้นมามแล้วก็เลยไปคิดว่าความสว่างสวัยนี้เป็นนิพพานแต่มันยังไม่เที่ยงสิ่งความสว่างสวัยนี้มันยังไม่เที่ยง มีเจริญยังมีเสื่อมถ้าไม่รู้ก็จะหลงแล้วก็จะไม่ไม่กาจัดมันวิธีกําจัดมันก็คือต้องไม่หลงไม่ต้องไปยึดไปติดมันมันจะเสื่อมก็ให้มันเสื่อมไปจึงได้ที่มันไม่เที่ยงก็ต้องปล่อยมันถ้าไปอยากให้มันเที่ยงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาันก็ต้องกําจัดตัวนี้ การจัดการยึดติดกับแสงสว่างความสว่างสวายของจิตดวงนี้ว่ามันยังไม่ใช่มันไม่ใช่ความบริสุทธิ์มันยังเป็นกิเลสอยู่ยังเป็นอกุศลอยู่เป็นอวิชายังเป็นความหลงหลงติดอยู่กับความสว่างสวายของจิตถ้าปล่อยวางความสว่างสวายได้นี้มันก็จะ มันก็จะแตกหายไปแล้วทีนี้มันก็จะเหลือแต่ความว่างเฉยๆใช่ไหมคะอาจารย์ลองไปดูว่าแล้วกันจะเป็นยังไงก็ตัวตัวนี้มันจะไม่มีเปลี่ยนไม่มีดับไม่มีเสื่อมไม่มีอะไรมันจะท่านเปรียบเทียบเหมือนกับตะเกียงที่มีเปะไฟเนี่ยกระจกที่ครอบตะเกียงนี้ถ้าใช้ไปมันก็จะถูกควันมันก็จะมัวนะ ถ้าเราคอยเช็ดมันเช็ดมันมันก็จะใสสว่างแต่มันก็ยังเป็นกระจกอยู่นั่นอ่ะเดี๋ยวมันก็หมัวได้เช็ดแล้วเดี๋ยวมันก็หมัวมัวแล้วก็ต้องเช็ดมันอยู่เรื่อยๆจิตที่ประพัฒสอนก็เหมือนกับตะเกียงเนี่ยที่เวลาเราเช็ดมันมันก็กระจกก็ใสแจวพอใช้ไปเดี๋ยวควันกระจกมันก็ไปติดอ่ะควันไฟก็ไปติดกระจกมันก็มัวขึ้นมาก็ต้องคอยเช็ดอยู่เรื่อยๆ ยังก็แสดงว่ามันยังไม่ใช่ยังยังต้องทำงานยังต้องรักษาความมันก็เป็นอนิจจังของอะไรที่เป็นอนิจจังมันก็ต้องเป็นทุกข์เพราะต้องคอยมาเช็ดบนอยู่เรื่อยๆอนั้นวิธีที่ทำให้ไม่ต้องเช็ดกระจกนี้ก็ตีกระจกให้มันแตกไปเลยอพอไม่มีกระจกนี้ไม่ต้องเช็ดใช่ไหมมันก็จะสายแจวอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่ว่ามันกันนมไม่ได้เท่านีแต่พูดถึงความสายแจว๋วอะไรจะมาสายแจ๋วยิ่งกว่าความว่างนะกระจกนี่มันยังมันจังมัวได้เหมือนแว่นตาเนี่ย้าเอาแว่นออกดูเสร็จเราใสแต่กรอบดูไม่ต้องเช็ดแว่นนะสายตลอดเวลาเลยอาจารย์ทศกามจิตจิตของคนเรานี่รับรู้ได้ทีละขนาดใช่ไหมครับอาจารย์ ก็รับรู้ความคิดมันจะคิดได้แต่ละเรื่องไงที่ละเรื่องมันจะคิดสามสี่เรื่องพร้อมๆกันไม่ได้ถ้ามันอยู่กับพุโทโธมันก็จะไปคิดถึงการบวกเล็บบวกลบคูณหารทำบัญชีไม่ได้ก็แสดงว่าจิตก็ต้องอยู่ในตลักด้วยใช่ไหมครับไม่ความคิดนะ่อยู่ในตายลักตัวจิตไม่ได้อยู่ในตายลักจิตมันไม่มีตายมันจิตมันอยู่มันรู้อยู่ตลอดเวลาจิตเกิดดับ เกิดดับนี่ไม่ใช่ตัวจิตมันตัวอารมณ์ที่อย <Yeah. S 1> ู่ในจิตเนี่ยที่เขาเรียกว่าจิตนั่นคืออารมณ์เช่นความความความสงบความไม่สงบเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับความรู้สึกที่ดีกับความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันสลับไปสลับมาอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าจิตแต่ตัวจิตเองคือตัวใจนี่มันไม่ดับตัวรู้ไม่ดับ เราไม่เข้าใจคำว่าจิตนในภาษาที่เขาใช้กันเวลาเขาใช้คำว่าจิตเขาหมายถึงอารมณ์ต่างๆหรืออาอการต่างๆที่มีอยู่ในจิตเนี่ยเช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเราเรียกเป็นตัวจิตเกิดดับเกิดดับเวทนามีสุขมีทุกข์มีไม่สุขมีไม่ทุกข์เกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆ สังขารความคิดปรุงแต่งคิดแล้วก็หยุดไปหายไปแล้วก็กลับมาคิดใหม่ก็เรียกว่าสังขารสัญญาก็จําเรื่องนั้นจำเรื่องนี้นนก็จําไปแล้วก็หยุดจําแล้วก็มาจําเรื่องนี้ต่อจําเรื่องนั้นต่อมันก็เกิดดับเกิดดับอันนี้เขาเรียกว่าแสงหงห้อยรู้จักหงเหงหอยไหมตัวแสงหงห้อยมันเกิดดับเกิดดับแต่ตัวเหงห่ยมันไม่ดับก็จะว่านี่เราไปเข้าใจว่าตัวจิตคือเป็นตัวหงห้อย เราคำว่าจิตนี้ก็หมายถึงอาการในจิตจิ ต, จตกัผู้รู้นั่นหละก็ตัวเดียวกันเลยล่ะไอตัวนี้ไม่ดับไงถ้าสมมติว่าผู้รู้นี้เปียนไหวไทยเกิดเรอคอ่ตัวนี้แหละที่ไปเกิดออกจากร่างกายไปแล้วก็เปลี่ยนชื่อให้เป็นดวงวิญญาณไปจากดวงจิตดวงใจก็ไปเป็นดวงวิญญาณมันก็ไปด้วยกันนอะดวงจิตตัวรู้ก็ไปตัวอาการของจิตก็ไปด้วยเมตนาสัญญาสังขารมันก็ไปกับตัวรู้ด้วยอาจารย์มันเป็น ของที who are who are ่อย like ah right ู่ด้วยกันเหมือนกับตัวตัวหิ่งห้อยตัวหิ่งห้อยกับแสงหิ่งห้อยมันไปด้วยกันจิตกับวิญญาณไม่เหมือนกันเพราะวิญญาณเป็นในในขัห้ามันมีสองวิญญาณไงวิญญาณในขันห้ากับวิญญาณที่ออกจากร่างกายไปเวลาออกจากร่างกายไปเราก็เปลี่ยนชื่อตัวตัวจิตตัวใจนี้เป็นวิญญาณไปเหมือนเวลาเราแต่งงานแล้วก็เป็นนางไปเป็นนายไปเวลาเราเป็นเด็กก็เป็นเด็กชายเด็กหญิง ท่านนั่นเองเปลี่ยนสถานภาพแต่แส่าผูร้รู้ไม่เกิดไม่เกิดดาวถ้าเกิดดาจะมาเกิดกันได้ยังไงเนี่ย<ม>ที่มาเกิดเนี่ย ม, มีมามีร่างกายแล้วมาสั่งให้ร่างกายทําอะไรใครเป็นผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆก็ตัวใจตัวใจที่มีอาการก็คือตัวจิตใจใช้ตัวอาการคือตัวจิตมาทํางาน ผู้รู้ผู้รู้ไปยึดจิตแล้วครับก็ผู้รู้ก็ผู้รู้ก็ไปไปหองยึดจิตไปหองติดกับจิตไปหองติดว่าขันเป็นตัวเราของเราแล้วจะ ท, ทำยังไงห้มันแยกกัครับก็ต้องหยุดมนันไงนั่งสมาธิพอจิตสงบอตัวจิตก็หายไปเหลือแต่ หรือแต่ตัวรู้ตัวเดียวก็จะรู้ว่าตัวนี้คือตัวแท้จริงส่วนตัวอื่นเป็นตัวเกิดดับเกิดดับก็อย่าไปหลงมันเท่านั้นเองให้รู้ทันมันว่ามันเกิดแล้วก็ดับมันคิดอยากจะได้แล้วก็ปล่อยมันคิดไปดับแล้วก็จบไม่ต้องไปทําตามที่มันคิดมันต้องเห็นชัดๆเลยเลยครับอาจารย์ก็ต้องปฏิบัติน่ยการตั้งานมันต้องปฏิบัติน่ยมันถึงจะเห็นเพราะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับการหา ได้ยินได้ฟังเหมือนกับเรายังไม่ได้ไปถึงที่ที่เราอยากจะไปกันเราทิ้งไม่ได้ฮะทิ้งไม่ได้ก็ไม่ได้นี่ว่าไงนะคนทิ้งได้ก็ก็ทิ้งได้ก็เนี่ยอยู่ที่เราอยากจะทิ้งหรือไม่อยากจะทิ้งถ้าเราอยากทิ้งก็ทิ้งได้แต่ยังไม่อยากจะทิ้งมันก็ทิ้งไม่ได้ ตัวควาส่สว่างหาไปเดี๋ยวว่างแต่ตัวรู้ก็ก็ยังอยู่แต่ไม่มีอะไรเอก็ตัวแต่แกผู้รู้แต่ว่ารู้อืตัวรู้ยังอยู่แต่ตัวแสงสว่างที่ครอบตัวผู้รู้อยู่นี่มันแตกไปอันนี้ต้องปฏิบัติถึงอย่างรู้ชัดอย่างพูกจันไปจนมันตายมันก็ยังมันก็ยังไม่เหมือนอย่างที่เขาว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็น สิปากว่าเหมือนก็คนตาบอดคำช้างพูดไปแล้วเดี๋ยวดีไม่ดีมาเถียงกันเปล่าๆคนหนึ่งไปจับที่หางช้างอีกคนไปจับที่งวงช้างก็บอกว่าไม่เหมือนกันตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่เป็นเชือกนะไม่ใช่มันเป็นงูนะมันก็ตัวเดียวกันะมันมีห้าอาการอย่างที่เราคุยเรื่องวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันจำลัตายคนหนึ่งวิญญาณมันอยู่ในขันห้าวิญญาณมันจะอ มันจะเป็นอะไรมันจะเป็นดวงใจได้ยางไงเขาเปลี่ยนชื่อมันท่านนีเน่เวลาใจไม่มีร่างกายก็เรียกว่าเป็นดวงวิญญาณในดวงวิญ ญ, ญาณ น, นั้นก็มีมีเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเลยวินเทพิบดกผมไเคยเปิดดูเขาบอกว่าเป็นตัวพระพุทธเจ้าใช้คาว่าสัตตาหลังสัตตก็หมายว่าดวงจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะ คำบเวสีเนี่ยแปลว่าสัตว์คําว่าสัตว์ก็คือดวงจิตที่ยังที่ที่ไปเป็นอะไรต่างๆเขาเรียกว่าสัตว์นะเป็นเทวดาก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งเป็นเทพเป็นพรหมเป็นเปรต เ, เป็นอะไรนี่ก็เป็นสัตว์เหมือนกันเราเรียกพวกที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในตายภพนี้ว่าเป็นสัตว์โลกก็ดวงจิตดวงใจเนี่ย ที่ยังหลงที่ยังมีโรคโกรธหลงอยู่ก็เลยทําให้มาเวียนว่ายตายเกิดมาทำบุญทําบาปกันทําบุญก็ได้เป็นเอ่อเป็นเทพเป็นพรหมไปทําบาปก็ได้ไปเป็นเดรัจฉานเป็นเปรไปก็เวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปจนกว่าที่จะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็จะสอนให้เราชาระกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ อาจารย์จะสอบถามเรื่องวิธีการสร้างเหตุปัจจัยที่ดีก็เนี่วิธีแน่ก็คือให้เข้าหาผู้รู้ไงให้คบบัณฑิตอย่าไปคบคนพานคนพานก็คือคนง้ให้คบคนฉลาดคนฉลาดก็มีสอ ง, สองแบบคนฉลาดทางโลกกับคนฉลาดทางธรรมคนฉลาดทางโลกก็คือพวกครูบาอาจารย์ต่างๆคนที่เข้าเรียน จบปริญญาตีโทเองเนี่ถือเรียกว่าเป็นบัณฑิตทางโลกถ้าเราอยากจะมีความรู้ทางโลกเราก็ไปศึกษาตามมหาลัยต่างๆแต่ความรู้ทางโลกก็ยังเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอยู่คือยังไม่สามารถหลุดพ้นจากรอดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ถ้าเราอยากจะรอดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องไปพบกับบัณฑิตทางธรรมไปเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ พอุทธานตายไปแล้วเราก็ไปหาโดยการศึกษาพุทธประวัติอ่านพระธรรมคาสอนพระสูตรต่างๆที่ท่านแสดงไว้ที่จะลึกไว้ในพระตรยิฎกเราก็จะได้สร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะทำให้เราหมุนไปในทางที่ดีต่อไปก็คือไม่มีไม่ไมีกรรมกรรมที่ดีเพราะพุทธศาสนานจะสอนให้เราทำแต่บุญทำแต่ ให้ทำบุญละบาปให้ชำระเหตุที่ทาให้เรามาเวียนว่ายตายเกิดกันาาก็คือตัดกรรมใช่ไหมครับอาจารย์แก้กรรมอะไรเงี้ยก็เป็นการยุติการสร้างภพสร้างชาติเนี่ยถ้าเราเริ่มมาปฏิบัติทานศีลภาวนา น, นี่เราก็ตัดถ้าเรายังไปหายังไม่ทำตามความอยากอยู่ล้วก็ไปต่อภพต่อชาติภ พ, พชาตินี้คือยังไงครับอาจารย์ก็การเกิดแก่เจ็บตายทั้งมาทมูทง ไม่เนี่ยตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ถ้ายังมีความอยากอ ย, กอยู่ก็ยังกลับมาเกิดต่อถ้ายังอยากเที่ยวยังอยากดูอยากฟังยังอยากมีแฟนอยู่อยากจิตไปกเกาะอารมณ์น่เป็น เ, <อ>เป็นพไหมครับอาจารย์นั่ น, นแหละมันสมมติเราเรานั่งสมาธิอย่างอาจารย์เราพุโทโธพุโทโธไปเรื่อย่อยอ้ถ้าจิตสงบมันก็ปล่อยวางความอยากแต่มันปล่อยวางได้ชั่วคราว ก็คือกิไปกาะกับคําพุโธก็เป็นสัญญาใหม่ใช่ไครับก็เป็นสัญญาที่จะหยุดความคิดที่จะไปคิดในทางความอยากก็คือตั้งสัญญาขึ้นมใหม่ก่อนที่จะไปคิดอย่างอื่นสร้างขึ้นโดยการดึงสัญญาเลยหยุดสัญญาอยุ่สังขารเนี่ยแหละหยุดสัญญาอยู่สังขารพอมัมีสัญญาสังขารมันก็ไม่มีความอยากพอมันมีสังขารสัญญามันก็จะเกิดความอยากขึ้นมาพออยากมันก็ไปทําตามความอยาก มันก็ไปถ้าร่างกายอันนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายใหม่เพื่อจะได้ทำตามความอยากใหม่มันก็กลับมาเกิดใหม่ก็ต้องหยุดหยุดด้วยสมาธิแล้วก็หยุดด้วยปัญญาสมาธิก็หยุดได้เฉพาะช่วงที่อยู่ในสมาธิพอจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนว่าอย่าไปทำตามความอยากไปทำตามความอยา ก, าายากแล้ว แจะนําไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเกิดแก่เจ็บตายเราเห็นด้วยปัญญาว่ากําลังไปหายาพิษเราก็ไม่ไปใช่ไหมอ่าังนั้นการไปทําตามความอยากนี่เหมือนกับการไปหายาพิษแต่เรายังไม่เห็นเป็ญยาพิษเรายังเห็นว่าเป็นขนมอยู่เห็นเงินทองนี่ยังเห็นว่าเป็นขนมอยู่ตอนนั่งสมาธินี่ดูลมอย่างเดียวได้ไหมครับได้ อย่านมอย่างเดียวก็ได้พูดโธรอย่างเดียวก็ได้คำ น, นิงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ดูให้ให้พูดเข้าโทรออกในพระไตรปิฎกไม่มีพูดเข้าโทออกอันนี้เป็นเรื่องของอาจารย์บางรูปที่ท่านสอนท่านท่านได้ผลอย่างนี้ท่านก็สอนแบบนี้ไม่ไม่ใช่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่ามันผิดนะเพียงแต่ว่ามันา ม, มันเป็นพอดีท่านถนัดแบบนี้ท่านก็มาสอนแต่เราอาจจะไม่ถนัดแบบท่านก็ได้พระพุทธเจ้าสอนท่านก็ให้ดูลมอย่างเดียว มันลมละเอียดรู้ยังไงต่อครัเป็นกลางก็ดูไปเรื่อยๆให้รู้เฉยๆไปให้รู้เฉยๆรู้แล้วอยากคิดถ้าคิดก็หยุดมันไม่ต้องพุทโธมาใส่ต่อไม่ต้องไม่ต้องถ้าหยุดความคิดได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธถ้าหยุดความคิดไม่ได้ก็ต้องใช้พุทโธแต่ถ้าถึงขนาดนั้นมันก็จะมีกําลังหยุดความคิดได้เพราะมีสติดูลมท่านได้ขนาดนั้นมันก็ดูลมแล้วไม่มีความคิดก็แสดงว่าเรามีสติหยุดความคิด พอมันจะคิดเราก็ควรจะหยุดมันได้แต่ไม่ใช่เป็นการบังคับอก็เฉยๆให้มันอยู่เฉยๆอยากคิดเท่นั้นเองพอรู้ว่าจะคิดจะบอกก็พอรู้จะคิดปั้มมันก็ไม่คิดละครับอาจารย์ถ้าถึงณนะตอนนั้นแล้วที่จิตตั้งมั่นนะนีครับถ้าผมจะดูแค่การเคลื่อนของจิตไปโดยที่ ยังหรอกมันยังไม่ถึงเวลาจะดูมันยังจิตยังไม่สงบเต็มที่ให้ดูต่อไปจนกว่ามันจะนิ่งจนกระทั่งไม่ต้องทำอะไรมันอยู่เฉยๆเราไม่ต้องไปควบคุมบังคับอะไรมันให้มันรวมก่อนให้รวมเป็นหนึ่งเป็นสมาธิก่อนเวลานั้นมันจะสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาแล้วก็มีความสุขจากความสงบ พอถึงจุดนั้นแล้วก็ประครับประครองให้มันอยู่อย่างนั้นไปอย่าไปดึงมันออกมาพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันอะไรยังไม่ให้เวลานั่งสมาธินั่งเพื่อให้สร้างอุเบกขาขึ้นมาสร้างความสงบขึ้นมาเพราะเราจะใช้ใช้อุเบกขาในการเอาไปเจริญปัญญาในการไปต่อสู้กับกิเลส ต, ต่อไปถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีกิเลสไม่มีไม่มีอุเบกขาเราจะ ไม่มีกำลังที่จะสู้กับกิเลสได้ถึงแม้จะมีปัญญาสอนให้ให้หยุดกิเลสไม่ให้ทาตามกิเลสแต่กิเลสมันจะมีกำลังมากกว่าแต่ถ้าเรามีอุเบกขาแล้วกิเลสมันก็จะสู้ไม่ได้เฉนั้นต้องพยายามสร้าง อ, อุเบกขาให้มีกำลังมากๆถ้าเหมือนกับการจะไปทำสงครามก็ไปเตรียมสะสมอาวุธตเตรียมสบีงอะไรไว้ให้เยอะๆก่อน พอมีอาวุธมีสเสบียงเยอะแล้วค่อยไปทําสงครามถ้าไม่มีอาวุธมีอาวุธน้อยมีสเสบียงน้อยทําไปไม่กี่ทีก็ก็แพ้เขาอยู่ดีต้องให้มันมีมากกว่าของของคู่ต่อสู้ยัต้องให้ชํานาญในสมาธิก่อนให้รวมได้ทุกเวลาที่ต้องการต้องการจะเข้าไปเมื่อไหร่ก็เข้าไปได้เข้าไปแล้วก็ให้มันอยู่นานเท่าไหร่ก็อยู่ได้อันนี้เราถึงช่อยเอาไป ต่อสู้กับกิเลสต่อไปอย่างนี้หมายถึงการเข้าฌานไหมครับอาารย์อ่อสมาธิก็คือฌานนี่แหละสองวันที่แล้วโยมก็ทำตามที่ท่านอาจารย์แนะนำนะครบขอให้ไปทํา6ชั่วโมงก็คิดดูว่้จะทำยังไงแต่ก็ทํานะทําสำเร็จนะจ๊ะ โดยไม่ได้ลุกขึ้นอไม่ลุกขึ้นเลยยืนก็ไม่ยืนแค่เหยียดขานิดหน่อยแล้วก็ห้องน้ำก็ไม่เข้าพอ้องนก็ไม่เข้าแค่จิบน้ําำคือคือน่าสนใจที่ว่าพ อ, พอเราทาที่สองวันนะแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยมันค่ะมันสงบเร็วขึ้นนะ อ, อไม่ต้องไปหวองอับอย่างที่ที่หรอนาะนคือคือว่า อย่างที่อาจารย์ว่ามันมีกำลังมากขึ้นนะอะคืออ อ, อ, อวันแรกเริ่มเนี่ยมันจะมีมันจะมีแสงสีเข้ามารบกวนมากเลยค่ะทั้งขาวทั้งเหลืองทั้งแสดเข้ามาแล้วก็รับเฉยๆนะคะไม่ะิดว่าเลยเขาเขามาเขาก็ไปมาเยี่ยมตลอดเลยแล้วก็จะมีเจ็บเจ็บขาซึ่งเออ ช่วงบองที่สี่ที่ห้านะคะถึงจะเจ็บก็เก่งมากเลยก็ใช้พุโทโธพุธโทโธบอกว่าเจ็บก็เจ็บไปอืแล้วแล้วขานี่ก็จะแบบว่าเหมือนกับเหมือนกับชาเหมือนกับไม่รู้เรื่องแต่ก็ยังรู้ว่ามันเจ็บอยู่อแต่ว่าทั้งตัวนี่ก็แบบว่ามันมั น, ม, นมันมีอะไรเคลื่อนเคลื่อนหมายถึงขยับนะจิตอะแต่มันก็เฉยเฉยมก็อยู่ไปเฉยๆของมันอย่างน้นน ะ, ะไป่กชั่วโมง มันรู้สึกอึดอัดทรามานไหช่วงที่ต้องอยู่เฉยๆหกชั่วโมงเ<อ>่ยออ <c oughs> ก็ไม่มาหกค่ะเพราะว่าก็ <c oughs> มีอยู่บ้างมีบ้าง<อ>แต่ไม่ถึงกระ ต, ต้องกระโดดขึ้นแล้วถึงถึงกับแล้วมั น, ม, นมันหายไปไหมความอึดอัดนี้นหายหาย <ừ> หายไม่อยู่อ่ะก็เฉยๆคือทําต่เนี่บ่ายโมงถึงถึงหกโมงเย็นสองวันวันถึงหนุ่มว่าชามันไม่ได้ไปทําไปใส่บาตเพราะว่าโยม ยอชต้องพักผอนเพราะนั่งเฉยๆ้องต้อง่เฉยต้องพักผ่อนอยู่ไหนไม่ได้ทาอะไรแน่นอั่งเฉยๆก็พักผ่อนนะพักทางกายแต่ไม่ได้พักทางใจทางใจสู้ทางใจสู้กิเลสใจนี่มันกยมันสมากแล้วนั่งเฉยแล้วนั่งเฉยๆม่เหนื่อยตรงไหนล่ะต้องบอกต้องบอกท่านชายว่าอย่ามารบกวนฉัน บ่โมงหึงหกโมงย็นห้ามเข้าบ้านแล้วบัญชีนะท่านที่ท่านแนะนําไปอ่ะแต่ว่านี่อยากจะถามว่าโยมต้องทําทุกวันหรือเปล่าหรือว่าวันถ้ามันดีก็ทํำไปดิถามนี่ขนาดว่าถามนี่ขนาดว่าไม่อยากจะทำเออ่ความอยากต้องใช้ความอดทนนั่นแหละก็ต้องการทาจนกว่ามันอยากมันมันอยากจะทําำสุดยอดเลย ทำจนกระทังมันมีความสุขอย่างนี้มาตลอดในชีวิตค่ะทำจนทั่งมันมันมีความสุขกับการกระทํานี่ตอนี้ถ้าอาจารย์ไม่ไม่ขอร้องให้ทำตอนนั้นเน่ยเขไม่ทําแต่เรนี้ทําไปแล้วนี่ยมันทําได้มีคนมาท้าทายที่ทำอันี้ถ้าอยากจะให้มันได้มากกว่านี้ก็นั่งแบบไม่ขยับเลยนั่งคัดสมาธิก็อาจเป็นนะก็ได้ต้องเตรียมตัวนะท่านก่อนก่อนจะนั่งเนี่ยต้องเดินรอบบ้านสิบห้านาที ครึ่งชั่วโมงก็ได้ชั่วโมงก็ได้บบเดินให้มันแล้วนะทีนี้ผสมยากแก้ไ อ, อวางไว้ขั้นต่อไปก็ไม่ต้องมีน้ำไม่ต้องมีอะไรเลยนั่งบบอย่าง <Y oki S 1> เดียวขี่ใช่ไหมนั่งสมาธิไปอะไรเข้าฌานไปเล ย, เาาเลยน่าสนใจน ะ, ะขั้นต้นก็นั่งแบบสบายสบายก่อนนั่งแบบขยับเท้าขยับอะไรได้ยืนได้เข้าห้องน้ำได้ดื่มน้ำได้อพอเรานั่งแบบนี้ได้แล้วขั้นต่อไปก็แบบไม่ต้องขยับเลย ไม่ต้องขยับร่างกายเลยทีนีต้องมีสติแข็งกว่านั้นหนึ่งถึงจะอยู่นั่งได้ตอนนี้สติยังไม่แข็งวะเนี่ยยังยังขยับขยื่นทำตามความอยากได้อยู่ยังอยากยืดแข้งยืดขาอย่างยืดได้ยังอยากไม่ยองไม่ขยี้ไม่ยืดเหอันดีขึ้นแต่ว่าใช้ใช้พุทโธเพ่งลงไปคือว่าถ้าผั เราทำอย่างนี้บ่อยๆนะคะก็หมายถึงเราเราก็จะสร้างพลังให้อสติมีพลังสติมีสู้ความอยากได้ switch on อย่างนี้นะแล้วมม่จะมานั่งอพูดโทรไปอีกครึ่งชั่วโมงควานั่งข้านั่งปุ๊บก็เข้าเลยก็ตกเข้าเลยอล้่พอพอมันแบบเก่งอย่างนั้นแล้วเราก็ใช้ใช้ปัญญาได้หยุดกาแฟได้เลยทีนี้ท่านหยุดท่านหยุดดื่มน้าเปล่าได้ทาไมกาแฟจะหยุดไม่ได้ ว่าสรุปแล้วอาจารย์พอฟังๆเนี่ยโอ้โหต้องหกชั่วโมงวอ่ะแต่ว่าคิดดูไม่ลองไม่รู้นะมไม่ลองก็ได้แต่จีที่ไม่มีนิมิตอะไรทุเรศมามขึ้นมานะมไม่มี ม, มีก็ช่างมันมีก็แสดงว่าใจเราไม่สงบงนะไม่มีเงียบมากค่ะ Hmm แต่มันข e ึ้นมาแล้วก um> ็ดูลมไปพูดโทไปอย่าไปสนใจอย่าไปตามรู้มันสงบดีค่ะก็ทำต่อไปทำได้ทุกวันยิ่งได้ยิ่งดีแล้วเพิ่มชเพิ่มเพิ่มชั่วโมงได้ก็ยิ่งดีหกชั่วโมงนี่มันไปไม่ถึงลอนดอนเลย สิบสี่อคือพยายามฝืนความอยากไปเรื hmm. yeah. kind of ่อยๆแล้วต่อไปไปความอยากอย่างอื่นนี่จมันจะเลิกง่ายออยากกาแฟอยากดูทีวีอยากอะไรนี่มันจะล้องกลายเป็นของง่ายไปหมดเลย็นเนี่ยนิว่างมากเลไม่อยากกินอะไรเลยบางทีก็กินไม่ทันเสื้อจนหนาที่ะ มีใครอยากจะถามยังไหมไม่มีจะให้ทางบ้านอย า, างถามถามเข้ามาบ้างก็ได้มีเข้าไม้อยังะะวันนี้ถึงสามร้อยกว่าเหมือนเดิม <3 70 S 1> อ่ะสามร้อยเจ็สิบกว่าอยู่ประมาณเท่านี้นะอ้าเดี๋ยวก่อนาม า, านครับครับต่อกรณีที่พูดถึงความดีกับความไม่ดีของบุคคลนะครับอการพูดถึงความดีนี่ทําให้ อนุชนรุ่นหลังไ ด, ได้ได้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับใช่แต่ในกรณีที่คนชั่วที่ที่ทำประโยชน์ที่ทําโทษให้กับคนส่วนรวมเนี่ยเราควรจะพูดถึงไหมครับถ้าเป็นการสั่งสอนก็พูดได้เชในพุทธในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงคนไม่ดีก็มีอย่างพระเทวทัศน์ก็พูดถึงว่าไม่ดีเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีถ้าเป็นการสอนที่พูดได้ว่าความไม่ดีเป็นยังไงความดีเป็นยังไง แต่ถ้าเป็นการคุยกันกับคนทั่วไปเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องที่มาดีของชาวบ้านมาพูดเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไร ถ, ถ้าพูดจะพูดพูดเรื่องความดีของเขาดีกว่าพูดยังไงต้าพูดเพื่อส่วนรวมเนะพูดได้แบบนั้นหรืเปลถ้าต้องต้องบอกเพื่อให้รู้ว่านี่เป็นเสือน ะ, อะเป็นตัวไายกาดอย่าไปเชื่อเขานะเดี๋ยวก็จะมาะทําร้ายเราเ ง, งี้ยทางนี้ก็พูดได้ พูดด้วยเหตุด้วยผลอย่างเช่นคนที่โกงขอรับชั้นเนี่ยมันควรจะพูดถึงไหมถ้าเรามีหน้าที่จะพูดก็พูดได้แต่ถ้าไม่มีหน้าที่ก็อย่าไปพูดถ้าเรามีหน้าที่หรือว่ามีความจําเป็นจะต้องเตือนคนว่าอย่าไปยุ่งกับคนนี้นะเดี๋ยวเขาจะมาหลอกเราเงี้ยเราก็พูดได้แต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาจะมาหลอกรู้เปล่าแล้วเราก็ไปพูดอย่างเงี้มันก็ไม่มันก็ไม่ดีเพราะเขาอาจจะไม่ได้ทําก็ได้ ก็ต้องดูการละเทศะดูความเหมาะสมว่าควรจะพูดไม่พูดเงี้ยถ้าคนนื่นเขาเอาเรื่องไม่ดีของเรามาประจานกับชาวบ้านอย่างเงี้ยโดยที่ไม่มีเหตุมีผลเราจะรู้สึกอย่างไรใช่ไหมแต่ถ้าก็มีเหตุมีผลว่าเราเป็นคนอย่างนี้ไม่ควรที่จะมาะคบค้าสมาคมกับเราเพื่อเพื่อป้องกันเขาอย่างเงี้ยก็ถ้ามีเหตุมีผลจะพูดก็พูดได้ แต่บางทีความเชื่อของคนมันนิดๆน้อยๆเรากลับไปขยายความให้มันเป็นใหญ่โตขึ้นมาเพราะเราเกลียดเขาเราไม่ชอบเขาเราอยากที่จะไปะทำร้ายเขาอย่างเงี้ยถ้าพูดอย่างนี้มันไม่ควรบางทีเรื่องนิดเดียวก็ไปขยายความจกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตขึ้นมาดังั้นโดยปกติแล้วโดยธรรมดาแล้วพูดง่ายๆคืออย่าไปพูดเรื่องคนอื่นเขดีกว่าไม่ว่าจะดีหรือจะชั่วถ้าไม่มีเหตุ จำเป็นที่จะต้องพูดเรื่องของคนอื่นก็อย่าไปพูดนอกจากว่ามีคนก็มาถามแล้วว่าคนนี้เป็นยังไงเขรู้จักเขาไหมคนก็อาจจะพูดไปตามความเป็นจริงก็ได้ว่ า, เ, าเขาก็อย่างเงี้ยดีเขาก็มีไม่ดีเขาก็มีถ้าจะพูดก็ต้องพูดให้มันครบทั้งสองด้านไม่ใช่จะพูดแต่เรื่องไม่ดีของเขาอย่างเดียวแล้วไปพูดแต่เรื่องที่ดีอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกเอง นี่หมายถึงการพูดคุยกันธรรมดาเวลาเจอกันอย่างเงี้ยเราก็พูดคุยพอไปเกี่ยวข้งของกับคนนั้นคนนี้ก็ต้องระวังอย่าว่ามันเอย่าไปพูดถ้ามันพูดแล้วมันทําให้เกิดความเสียหายอย่าไปพูดดีกว่าแต่ถ้าพูดแล้วเกิดประโยชน์ก็พูดไปพอาจารย์คะการที่เราเข้าไปบระท้วงในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่เราคิดว่าถูกต้องนี่ควรทำหรือา ถ้าในทางโลกก็ทำได้เพราะเป็นประชาธิปไตยถ้าในทางธรรมเราให้มามามาทำใจดีกว่าเราควรจะไปทางโลกหรือทางธรรมดีก็แล้วแต่เราทางธรรมก็สอนให้เราทำใจอ่ะนอกมอนเป็นอนิจจังมันก็มีขึ้นมีลงมีดีมีชั่วยุคนี้อาจจะเป็นยุคของคนชั่วก็ได้ยุคของคนดีก็มีมันก็สลับกันไป มันก็เป็นเรื่องของโลกไปถ้าเราทางธรรมเราก็จะพิจารณาเพื่อปล่อยวางมากกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรเพราะเรามองว่ามันเป็นอนัตตามันมันไม่มนันเหนือความสามารถของเราที่เราจะไปเปลี่ยนเหตุการณ์ทางต่างๆได้ถ้ราคิดในทางโลกก็จะทำให้เราเป็นทุกข์มา ก, <c oughs> กใช่ใช่เราทางโลกก็จะทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากจะเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วพอเปลี่ยนแล้วบางทีเราก็อยากจะเปลี่ยนให้กลับไปเป็นอย่างนั้นอย่างเก่าอีกปได้ พอเปลี่ยนอย่างนี้แล้วออไม่ดีนี่หว่ากลับไปอย่างเก่าดีกว่า ม, มันเป็นเรื่องของอารมณ์เสียมากกว่าเรื่องของเหตุเรื่องของผลแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เปลี่ยนเลยนะถ้ามีมีเหตุมีผลแล้วอยู่ในความสามารถที่เราจะเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนไปแต่ถ้ามันไม่อยู่ในความสามารถเราก็อย่าไปไปคล้ายๆเหมือนกับไปสร้างไปสร้างกระแสให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลง ในฐานะของพระสงฆ์ที่ออกไปมีส่วนร่วมตรงนี้ไม่จรงไม่มีส่วนอะท่านไปเองอ <c oughs> มันเรื่องของค า, ารวะไม่ใช่เรื่องของพระพระเป็นผู้ที่ออกจากการคลองเรือนแล้วออกจากเรื่องของบ้านของเมืองแล้วไม่ยุ่งไปเกี่ยวแล้วถ้าจะทำได้ก็แค่เนี่ยเวลาญาติโยมมาปรึกษาก็ให้ข้อปรึกษาไปให้ข้อแนะนำไป อาจจะให้ตัวพระเองนี่ออกไปถือป้ายบอกขอใ ห, ให้เป็นอย่างงุ้นเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วแหละมันมันทำไม่ถูกอะคำว่าคือทำได้แต่ต้องทำอยู่ในกรอบของความเป็นพระเท่นก็เนี่ยญาติโยมมาก็มาถามว่าจะทำยังไงดีก็บอกทำอย่างเงี้ยทำยนี้แล้วก็ไปทำกันแต่ไม่ใช่ตัวพระเป็นคนออกไปนำเองในร ให้สติไปอะไรนะโอ้ยถ้าเวลาอยู่ในอยู่ในเวทีมวยแล้วไม่ต้องไปให้สติหรอกทำไม่อยู่ใช่มีไม่ดีคนให้สติจะแตกซะก่อนมันไม่ใช่กิยของสงฆ์น่ยมันไม่ใช่เรื่องของพระเรื่องของพระเป็นเรื่องของการโปรงการปล่อยวางทุกอย่างปล่อยราบยศสรรเสริญ ปล่อยเรื่องอะไรต่างๆทางโลกมันเป็นเรื่องธรรมดามีเจริญมีเสือ่อมมีดีมีชั่วมันเป็นเป็นยุคเป็นสมัยของมันไปให้ปลงแล้วจะมีความสุขอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแต่ก็มีบางคนเขามองว่าการที่เราไม่ได้เข้าไปยุ่งไม่มีส่วนร่วมไม่มีบทบาทตรงนี้เหมือนกับเราเห็นแก่ตัวค่ะเรานั่งดูให้ คอรชชันเกิดขึ้นแล้วก็ชาติล่มสลายไปอะไรอย่างเงี้ยกรจายไม่เห็นแก่ตัวตรงไหนเราอยู่เฉยๆเราไม่ทําอะไรเลยก็มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานี่ยใช่ไหมหน้าที่ของเราคือเป็นพลเมืองดีรักษาเคารพกฎหมายจ่ายภาษีแล้วก็ทําของเราอยู่แล้วใช่ไหมไม่มีเขียนในว่าหน้าที่พลเมืองให้ออกไปก่อเรื่องวุ่นวายไปเผาบ้านเผาเมือง ไปทำไปสร้างความเสียหายรบกวนคนที่เขาทามาหากินคนที่จะไปเรียนหนังสือก็ไปไม่ได้คนที่จะไปทํางานก็ไปไม่ได้ไปปิดถนนไปปิดสนามบินอย่างนี้มันเป็นการเห็นกัตัวไม่เห็นกับตัวเลยเป็นการ ก, กระทําที่ไม่เห็นกัตัวเลยก็มีการมองว่าทําเพื่อประโยชน์ก่อนนั่นบบมันก็จะดึงเข้ามาเพื่อ <c oughs> ทําอะไรกันตัวเองดีไปหมดไงพ <c oughs> ะค <c oughs> อนอื่นไม่ทําตามเองก็หาว่าไม่ดีไปหมด เห็นคนที่ไม่ได้ออกมาก็เห็นกัดตัวกันหมดเลยคนทั้งประเทศเขาไม่ได้ออกมากร่วมกันก็เป็นคนเห็นกัดตัวหมดพวกที่ออกมาไม่กี่หมื่นคนนี่กลายเป็นคนคนดีคนคนวบิละชนไปงนั้นไม่ใช่เป็นคนเผาบ้านเผาเมืองกันนะหรือไปทำให้เกิดการเผาบ้านเผาเมืองกันขึ้นมาครับเขาบอก มีมีเถียงส่วนใหญ่พูดกันมากว่าพระไม่ควรยุ่งการเมืองครับ อ, อ, อันนี้เป็นไงก็ถูกต้องพระไม่เกี่ยวกับเมืองแล้ว พ, พ, พระผิดพระธรรมวินัยไหมครับก็ท่านมันไม่มีในข้อข้อห้ามเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของความเข้าใจกันโดยหลักแล้วว่าผู้ออกบวชนี้เป็นผู้สละเรือนสละบ้านสละเมืองแล้วไม่ยุ่งเกี่ยวแล้ว ที่บวชจริงๆสมัยก่อนเขาเข้าป่าเข้าเขาเขาไปฆ่าไปต่อสู้กับกิเลสตันหาของเขาเขาไม่มาต่อสู้กับคนอื่นพระพุทธเจ้าบอกชนะคนอื่นเป็นร้อยพันพันก็สู้ชนะตนเองไม่ได้ชนะกัากิเลสของตัวเองไม่ได้ชนะคนอื่นก็ไปทําให้เขาโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทเราเขาชนะเราก็ทั้งความโกรธเกลียดเคียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้กับเขาเองมันก็จะว่ากันไม่มีวันจบ แต่ถ้าเรามาเอาชนะความโกรธความรู้ของเรานี่มันก็จะจบนะครพอเราไม่รู้ไม่โกรธแล้วใครจะรวยก็รวยใครอยากจะใหญ่ก็ใหญ่ไม่ใช่เรื่องของเราเดี๋ยวมันก็ตายกันหมดเหมือนกันแหละใช่ไหมเรามองไม่เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาราบยศสัลเสรนี่มันก็แค่ อ, อนิจจังได้เดี๋ยวเดียวมันเดี๋ยวมันก็หมดแล้วใครเป็นใหญ่กันสักกี่ปนะีเดี๋ยวมันก็ไปล้วเดี๋ยวก็มีคนใหม่มาแทนที่ะคนใหม่มาแทนที่ไม่ถท่าเดียวมันก็ไปอีกแล้ มันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เรามาเกิดแล้วเราตายไปเราตายไปแล้วมันก็ยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกโลกของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ mm. มันมีการแข่งแย่งชิงดีกันมาทุกยุคทุกสมัย mm. คําว่าทำย่อมชนะอารรมนี้ท่านไม่ได้หมายถึงคนดีไปชนะคนไม่ดีเข้าใจไหมก็หมายถึงธรรมที่มีอยู่ในใจเรา ก็คืสีนสมาธิปัญญานี่เรียกว่าธรรมส่วนอาธรรมก็คือความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นอาธรรมศีนสมาธิปัญญานี้ย่อมชนะกิเลสตัณหาเสมอไม่ว่าในยุคใดสมัยใดยุคพระพุทธเจ้าบำเพ็ญก็ใช้ศีนสมาธิปัญญานี้ฆ่าอาธรรมก็คือกิเลสยุคนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้ธรรมฆากิเลสไม่ได้เอาเอาเอาธรรมไปฆ่าคนอื่นเอาไปชนะคนอื่นอะไร ชนะกิเลสชนะความโลภความโกรธความหลงความส่วนในทางโลกเนี่ยอาธรรมย่อมชนะธรรมเสมอแหละคนไม่ดีย่อมชนะคนดีเพราะคนไม่ดีคนไม่ดีมันมีเปือ่อน่ะคนดีไม่มีเปือ่อน <c oughs> <c oughs> จะไปสู้คนไม่ดีได้ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์ครับอาจารย์เคยโกรธรับ ถ้ารู้ว่าก่อ i ก็หยุดมันนั่นเองหยุดยังไงคร <น S 1> ับอาจาย์มันไวไม่ทันนะเพื่อนก็ถ้าไม่มีเบรกก็หยุดไม่ได้ถ้ามีเบรกก็หยุดได้ก็ต้องฝึกสร้างเบรกขึ้นมาสร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติมันเป็นสติปัญญาอตโนมัติมันก็จะหยุดได้เหมือนกับมลด็ลดรถที่มีเบรกดีเนี้ยว้าอยากจะหยุดเมื่อไหร่ก็เหยียบปับ๊มมันก็หยุดได้ ถ้าเบรกไม่ดีเยี่ยมแล้วมันก็ยังวิ่งอยู่ก็ต้องฝึกถ้ารู้ว่าเบรกไม่ดีก็ต้องมามาสร้างเบรกให้มันดีสร้างสติให้มันดีสร้างปัญญาให้มันดีให้มันไวให้มันไวกว่ากิเลสพอจะโกรธปั๊บมันก็รู้ละถ้ามีสติมันก็รู้อยู่ในก็ฝึกเนียพุทธพุทโทพุทโทไปแล้วก็นั่งสมาธิไปแต่ต้องทาเยอะไม่ใช่แคทําแค่วันชั่วโมงสองชั่วโมง ทำทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะสร้างสติปัญญาที่เรียกว่ามาหามาหาสติมาหาปัญญาขึ้นมาได้หลวงตาท่านเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติคือไม่ต้องไคลานมันมีมันมัม น, ม, น, ม, นมันทำงานของมันตลอดเวลาของพวกเรานี่ยังเป็นปัญป ญ, ญาไขาลานอยู่สติปัญญาไคลานอยู่เวลาที่ไม่ไขาลานก็หายไปหมด นี่การคารวะนี่ก็หมดสิทธิ์เลยมันก็ยาก อ, ะากอ่ะก็มีค า, า, วารวะบรรลุทํามกันที่ไหนอก็มีแต่พระเท่านั้นเนี่ยนอกจากคารวะที่มีของเดิมมาเท่านั้นเองบางคนบอกว่าไม่ต้องนั่งสมาธิอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆทางานก็มีสติก็ดูเขา้เขามีความโรภความกลัวหรืเปล่าะมันพูดได้แต่ทําได้หรือเปล่านัเองถ้าทำได้ก็ไม่ต้องบวช คารวะบุงคลเขาไม่ต้องบวชเขาก็บรรลุได้ถ้าเขามีสติปัญญาอัตโนมัติอยู่แล้วเขาก็บรรลุได้เช่นสมัยพุทธกาลก็มีคนที่ขอฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าตอนนั้นกําลังบินทบาทอยู่พระพุทธเจ้าบอกว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลาก็มาข อ, อาสั้นๆก็ยังดีพระเจ้าก็บอกเอา้าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็ให้สักแต่ว่ารู้ พอเขาฟััวส่งอันนี้เขาก็บรรลุแล้วแล้วคือคนจีนนะครับชอบให้ทํางานเลยก็จะทำงานเยอะนี่ก็เป็นธรรมดาของโลกอะ่ะเขาคิดในทางโลกทุกคนก็ต้องทํางานทำอาหากินพึ่งตนเองก็เป็นหลักธรรมอย่างหนึ่งแต่เป็นธรรมของของทางโลกทางธรรมก็ต้องทงาอํางานเหมือนกันก็ต้องเดินโงกมนั่งสมาธิ มาบวชแล้ไม่ใช่มานั่งมากินมานอนเฉยๆทไหนครูจ้าก็สอนให้เดินจงกลมนั่งสมาธิตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละจะไม่ปฏิบัติก็ช่วงเวลาเวลาพักผ่อนหลับนอนสี่ห้าชั่วโมงต่อคืนหนึ่งนอกนั้นก็ให้ปฏิบัติตลอดเวลาแต่ปฏิบัติคนละเรื่องนั่นเองทางโลกก็ให้หาเงินหาทองกันทางธรรมก็ให้หาธรรมกันให้หาสติหาสมาธิหาปัญญากันก็ยังทํางานเหมือนกัน เรื่องแต่งงานคนละอย่างทางธรรมนี้ต้องการต้องการผลที่จะเป็นประโยชน์กับจิตใจทางโลกนี้ต้องการผลที่เป็นประโยชน์กับร่างกายซึ่งเป็นเป็นประโยชน์ชั่วคราวชั่วขณะที่ร่างกายมีชีวิตอยู่พอร่างกายตายไปหามาได้มากน้อยก็หมดหมดหม ด, หมดประโยชน์ไปแต่ คลที่ได้จากการปฏิบัติธรรมนี่มันอยู่คู่กับใจมันไปกับใจเราไม่สูญหายไปน่าจะพาให้เราได้ไปถึงประโยชน์อันสูงสุดได้ต่อไปถ้าเรายังไม่ได้ในชาตินี้เราก็ไปทาต่อได้ประโยชน์ทางธรรมนี้ไม่หมดเราไปกับเราได้เหมือนกับเราย้ายโรงเรียนนี้เราสามารถที่ไปเรียนต่อได้เวลาเราย้ายโรงเรียนไม่ต้องไปเริ่มป .1 ใ ห, หม่ นอกจากไปเรียนโรงเรียนอย่างที่เราไม่เคยเรียนเนี่ยอย่างเราที่ต้องไปเ ร, ปรียนปหนึ่งสาครั้งเนี่ยพอเราไปย้ายโรงเรียนที่เขาไม่ได้เรียนที่เราไม่ได้เรียนมาก่อน Cross really จากโรงเรียนไทยไปเรียนโรงเรียนจีนก็ต้องไปคิดเรียนปหนึ่งใหม่เพราะจากโรงเรียนจีนไปโรงเรียนฝรั่งก็ต้องไปเรียนปหนึ่งใหม่แต่ถา tar, Stanley, ้าเราทําอย่างนี้ก็เหมือนกับทางโลกอ่ะหาเงินได้กี่ร้อยล้านพันล้านตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็ต้องมาหาใหม่มาเริ่มต้นที่ศูนย์ใหม่ นอกจากว่าเราได้ทําบุญมาเราฝากเงินไว้อย่างนี้เราก็มาเบิกได้ถ้าเราทําบุญไว้นี่เงินที่เราทาบุญนี่เหมือนเงินที่เราไปฝากธนาคารพอถึงเวลาเราอยากจะเบิกเราก็มาเบิกได้แตะเวลาเราตายไปแล้วเวลาเรากลับมาเกิดใหม่เงินที่เราทาบุญนี้ก็ยังรอเราอยู่คนเราจึงเกิดมามีฐานะการเงินการทําที่ไม่ไม่เท่ากัน ได้มาเกิดในครอบครัวที่มีเงินกับมาเกิดในครอบครัวที่ไม่มีเงินเน้นทางธรรมนี้เป็นของที่จะสะสมไปแล้วก็จะเต็นสมบูรณ์ในที่สุดช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ว่ามีคนสอนหรือไม่มีคนสอนถ้าไม่มีคนสอนก็ชา้าอย่างพระพุทธเจ้านีต้องเสียเวลากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านี้ใช้เวลาสะสม บุญสะสมทำเป็นกับก่อจะได้มาตัดสรุปเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราล่านี้เป็นเหมือนพวกคนชโชคดีมาเกิดในตระกูลของเศรษฐีมาเกิดในตระกูลของพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อแม่คอยสั่งสอนเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลามาสะสมบุญกันเราสามารถสะสมได้ในชาตินี้เลย เยอะมากขอหลักงทันใจให้ให้เป็นตัวให้ความสุขให้ต้องมองว่าทุกทางร่างกายนี้เป็นของที่เราไปควบคุมบังคับไปได้ถ้าควบคุมบังคับได้ทุกคนก็ไม่ทุกข์กันสิไม่มีใครเจ็บไข้ได้ป่วยกันนี่มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของร่างกายการเจ็บไข้ได้ป่วยนี่เป็นเรื่องของร่างกายที่เราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้ นี่ความทุกข์กของเรามันไปเกิดเกิดที่ความอยากไปควบคุมมันอยากให้มันหายอยากให้มันดีเราก็เลยทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับความเจ็บของร่างกายเราก็หยุดความอยากนี่สยอย่าไปอยากให้มันหายรักษามันไปคําว่าอยากให้มันหายหยุดความอยากให้มันหายไม่ได้หมายความว่าจะไม่รักษาเราก็รักษาไปดูแลไปตามตามตามที่หมอสอนหมอสั่ง หายก็ดีไม่หายก็ดีให้คิดอย่างนี้แล้วก็จะไม่ทุกข์กับมันอเออาใจอย่างอที่ทุกข์เพราะว่าอยากให้มันหายแล้วมันไม่หายอือเราก็ปล่อยมันไปตามเวลาของมันอ่มันจะหายก็หายมันไม่หายก็เดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวเวลาตายมันหายหมดนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่าจะโรคไหนมันหายหมดนะ <c oughs> เออแล้วต้องหายกันทุกคนอนะ่ะ เกิดมาพวกเรานี่เท่ากันหมดเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเท่ากันหมดอย่าไปรู้สึกน้อยอกน้อยใจว่าเราทันเป็นอาจจะมากกว่าเขาก็เพราะเราไปทำบาปทำกรรมมามากกว่าเข า, เาก็เลยต้องมาใช้กรรมของเราเท่า น, นั้นเองดง <c oughs> นั้นก็อย่าไปทำบาป <c oughs> ทำกรรมชาตินากรรมมาเกิดจะได้เจ็บน้อยหน่อยหรือถาไม่อยากจะไม่อยากจะทุกข์ก็ก็ยอมรับกับความเจ็บไปอยอมรับว่าเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วมันก็จะไม่ทุกข์วิธีจะทําให้ใจรับได้ก็ต้องทําใจให้สงบพยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆนั่งสมาธิไปเรื่อยๆท่า น, น, นั้นเอ ง, องใจนิ่งแล้วหยุดความอยากได้แล้วความทุกข์ใจก็จะไม่มีความทุกข์กายมันนิดเดียวเหมือนหมอยากบอกว่าจะฉีดยานี้ใจมันทุกข์ไปก่อนนะอออพอฉีดจริ ง, รงมันเจ็บเดียเ๋ยวเดียๆนิดเดียวเจ็บทางกายมันนิดเดียวยแต่ที่มันเจ็บมากๆก็คือเจ็บทางใจเจ็บด้วยความอยาก ด้วยความกลัวมันอย่าอย่าไปกลัวมันอย่าไปอยากให้มันหายอยู่กับมันไปต้อนรับมันไปเหมือนเพื่อนเก่าถ้าเราต้อนรับมันแล้วเราจะมีความสุขออคือจิตเราไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปต่อต้านไม่ไปรังเกียมันยินดีมันก็เพื่อนเก่ามาหายินดีมาก็ดีอยู่ด้วยกันอย่างนี้เวลาก็จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขอย่าไปอยากให้มันหายนะ อันนั้นแหละตัวนี้ตัวไร้กาศคือตัวความอยากตัวความอยากนี้เรียกว่าสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ในอริยสัจสี่ค้าเป็นธาตุของความตัณหาความอยากมันก็จะสร้างความทุกข์ความเครียดขึ้นมาท<ช>ึ่ไม่จําเป็นจะต้องมี<ช>ความทุกข์การนี้มันมันไม่หนักนาสหนนาหัสที่หนักหนาสาหัสที่ทำให้อยากจะฆ่าตัวตายก็คือความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยาก พออยากแล้วไม่ได้ดังใจอยากก็อยากจะทุกข์มากก็อยากจะหนีไปค่าที่ฆ่าร่างกายก็ไม่ได้ไปแก้ปัญหาเพราะปัญหามันอยู่ที่ใจต้องไปฆ่าที่ความอยากถ้าอยากจะฆ่าตัวตายให้ไปฆ่าที่ความอยากฆ่าตัวตายแล้วมันก็จะไม่มก็จะไม่ฆ่าตัวตายอ๋อให้เราทําใจสงบสุขใช่ไหมจิตใชพยายามพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อย สวดมนไปเรื่อยๆดูลมหายใจไปเรื่อยๆอย่าไปคิดปรุงแต่งแค่นั้นนะอ่ะหยุดความคิดปรุงแต่งได้แล้วเดี๋ยวใจก็จะสงบเอาใจ้วนะที่เมื่อวานนี่มาใช่ไหมอ่าแล้วไปรู้จากที่มหาถ่ายเรียงยังเคยผ่านา้นก็เคยไปไปเรียนแล้วแต่เรียนไม่ได้จบที่บ้านากลับมาก่อนก็เดี๋ยวคงต้องเริ่มกันใหม่อะค่ะอ่าตั้งหลักใหม่นง ให้ดีก็ปฏิบัติทำดีกว่าออทำใจให้สงบเงหลืออีกสิบนาทีเดี๋ยวให้ทางบ้านเขาสองข้อสองสามข้อมีไหมมีค่ะคำถามจากคุณกำมลสวัสด์นั่งสมาธิดูลมหายใจแล้วหลับพีทำไงดีครับก็ลุกขึ้นมาเดินก่อนก็ได้แก้ง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ายังง่วงอยู่ก็ลองไปนั่งในป่าช้าดู นั่งในที่มันน่ากลัวดูวหรือแม่งก็ต้องอดอาหารหรือลดอาหารกินให้มันน้อยๆหน่อยคำถามจากคุณเบอร์นัวนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการเหมือนเอ็นกระตุกแล้วหลัง ค, อคอ่อยๆตั้งตรงขึ้นเรื่อยๆรู้สึกอยู่ว่ามันค่อยๆตรงขึ้นแต่พยายามจะไม่สนใจอยู่กับลมหายใจไปแต่พอสักพักมันก็ล้มหงายท้องไปเลยทัทง้งๆที่นั่งขัดสมาธิอยู่ น้องหงายท้องในท่านั้นไปเลยอยากกลับสอบถามว่าเราควรค่อยประคองตัวให้กลับมาหรือควรปล่อยให้อะไรมันเกิดก็ให้มันเกิดไปครับให้มันล้มไปกันแล้วก็มานั่งใหม่กันแล้วกันเพราะบางทีมันจะหลอกเราให้มันล้มจะไปจริงจริงก่อนแล้วเราค่อยลุกขึ้นมานั่งใหม่แสดงว่านั่งแบบไม่มีสติน่ยมันถึงจะเป็นอย่างนั้นถ้ามีสติมันจะไม่ล้มหรอกอย่างเราคุยกันตลอดที่นั่งมากันกี่ชั่วโมงเนี่ยก็ไม่ล้มเลไหนเพราะเรามีสติ แต่พอเวลานั่งมันไม่มันไม่มีสติมันปล่อยให้ใจเคลิ้มพอใจเคริมแล้วมันก็ก็เกิดอาการอย่างนี้ได้เกิดอาการครึ่งหลับครึ่งตื่นได้แล้วก็จะทําทให้ล้มหงายอยากล้มล้มลงนอนได้ถ้ามีสติแล้วรับรองว่าไม่มีปัญหาเรื่องการนั่งเฉั้นต้องพยายามใช้พุทโธพุทโธถ้าดูลมแล้วมันจะหลับก็ใช้พุทโธลองใช้พุทโธดู คำถามจากคุณวินหากชาตินี้พัดพลาดจากกันสิ่งที่ดีที่เคยล่วงเกินต่อกันทั้งกายวาจาใจเราจะอโหสิกรรมต่อกันได้ไหมคะถ้าใจพร้อมอโหสิกรรมต่อกันทั้งสองฝ่ายจะทําให้หมดเวรหมดกรรมต่อกันไหมคะถ้าทําในขณะที่อยู่ด้วยการพบกันอยู่ก็ถ้าทำแล้วต่างฝ่ายต่างอโหสิ ก, รรก็ถือว่าจบกันไม่จองเวรจองกรรมกัน ถ้าไปทาตอนที่ไม่ได้อยู่ต่อหน้ากันไปทารับหลังบอกเร า, เาโฮเสให้เธอขอให้เธอเอาโฮเสให้ฉันเขาไม่รู้เรื่องเาถ้าเขายังโกรธอยู่ขเขาก็ยังโกรธอยู่คำ ถ, ถามจากคุณพรเทพขอโอกาสหลวงพ่อครับสัมมาทิฏิมีลักษณะอย่างไรครับความเห็นชอบไงความเห็นว่ า, าทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เรียกว่าสมาทิฏิ ความเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากการดับความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือการหยุดความอยากต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคำถามจากคุณทานในสมัยเมื่อผมบวชเป็นพระได้มีกิจนิมนต์และรับปัจจัยจับเงินทองด้วยความไม่รมู้ไม่ได้ศึกษาให้ดีก่อนและเอาปัจจัยดังกล่าวไปใช้ส่วนตัวหลังจากลาศิกขาผิดไหมครับ สามารถทําปาฏิกรรมสํำรับนี้ส่งชดใช้ได้ไหมครับคือเรื่องปัจจัยที่พระรับมานี่ก็ถือว่าเป็นของพระไปถึงแม้จะศึกแล้วก็ยังเป็นของพระอยู่ของคนที่ศึกอยู่นอกจากเวลาตายเวลาตายถ้าทําพินัยกรรมมอบให้กับใครก็ยังสามารถทําได้ถ้าไม่ได้ทําพินัยกรรมเวลาตายก็ถือว่าเป็นของของของวัดไปของสงฆ์ไปดงนั้นก็ยังถือว่าเป็น เป็นเงินทองของคนที่มาบวชอยู่เวลาตายเวลาศึกไปจะเอาเงินทองนี้ไปก็ไม่มีความผิดตรงไหนแต่ถ้าอยากจะทำบุญก็อย่าเอาไปไริจากถวายวัดไปก็จะได้บุญแต่เอาไปก็ไม่บาปคำถามจากคุณทภพลาถ้าเราอายุมากแล้วอย่างกับผมอายุ40กว่าแล้ว ถ้าอยากบวชศึกษาพระธรรมสายปฏิบัติกรรมฐานจะสามารถบวชได้ไหมครับได้แต่เขาจะรับหรือไม่ก็อยู่ที่วัดที่เราไปบวชว่าเขามีขั้นตอนการคัดเลือกอย่างไรถ้าไปกับวัดที่เขามีความเข้มข้นเขาอาจจะให้อยู่เป็นภาคขาวไปสักปีก่อนเพื่อดูความสามารถว่าจะสามารถปฏิบัติได้หรือไม่แต่ถ้าเราไปวัดที่เขาไม่เข้มงวดกวดขวนันนี่ไปไปขอ บวชปั๊บเขาก็บวชให้เลยก็มีการบวชในเมืองไทยนี่สมัยนี้มันมีทั้งบวชง่ายและบวชยากถ้าเราไปบวชวัดที่เขาไม่มีการเข้มงวดกวดขันในเรื่องการคัดเลือกก็เขาบวชให้ขอบวชเมื่อไหร่เขาก็จัดวันบวชให้เลยแต่ถ้าไปบวชวัดเฉพาะวัดปฏิบัตินี่เขาจะค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันในเรื่องการเลือกคนเข้ามา แล้ว่าบางทีไม่แน่ใจก็ให้ลองอยู่ปเป็นคารวาสผมขาวไปก่อนเป็นผ้าขาวไปก่อนแล้วก็ศึกษาไปปฏิบัติไปแล้วระหว่างนั้นก็จะเป็นการดูแลเรื่อครูบาอาจารย์ก็จะได้ดูว่ า, ามีความพร้อมหรือไม่ถ้ายังไม่พร้อมท่านก็ยังไม่ให้บวชนะถ้าพร้อมแล้วท่านก็จะให้บวชคนะําถามจากคุณปูเป๊ พอนั่งสมาธิไประยะหนึ่งจนจิตนิ่งเงียบไม่มีความว่างแล้วต่อไปต้องปฏิบัติอย่างไรต่อคะก็ให้นั่งไปอย่างนั้นนานๆไม่ต้องทําอะไรถ้ามันความจริงถ้ามันเป็นความสงบจริงๆมันไม่อยากจะลุกเพราะมันมีความสุขมากถ้ายังไม่มีความสุขมันก็ยังถามเราจะให้ทำไงต่อไปแสดงว่ายังไม่สงบเต็มที่ถ้าสงบเต็มที่แล้วมันไม่ถามหรอ มันอยากจะให้มันสงบไปนานๆก็ เ, เหมือนได้ขึ้นสวรรค์นี่เหมือนได้เข้าห้องปรับอากาศนี่เวลายอยู่ข้างนอกมันร้อนพอเข้าห้องปรับอากาศนี่จะมาถามว่าให้อยู่นานไม่นานไม่มีใครถามหรอกก็จะอยู่อยู่ไปจนกว่าจะต้องออกเท่านนะั้นก็เหมือนกันถ้าจิตสงบจริงๆมันจะเย็นเหมือนกับเข้าห้องปรับอากาศแล้วมันจะไม่ถามว่าให้ทำไงต่อไปมันก็จะอยู่งั้นต่อไปนานๆ อยู่ไปยังกว่ามันกิเลสมันมีกําลังมากกว่าดันออกมาท่านนะั้นมันจะออกมาคําถามจากคุณปานวัตรผมนั่งสมาธิบริกรรมพุทโธช่วงแรกพอใจเริ่มนิ่งแล้วสักพักก็จะพิจารณาถึงการเกิดแก่เจ็บตายคิดถึงลุงที่เสียไปญาติญาติที่เสียไปพ่อที่ป่วยแล้วก็พิจารณาแล้วก็กลับมาดูกายตัวผมเองผมขนเล็บฟันหนังดูว่าประโยชน์มีอะไรโทษมีอะไร แล้วก็คิดถึงความไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเหมือนพยายามสอนตัวเองพอคิดไปสักพักมันก็หยุดผมเลยกลับมาพุทโธต่อแบบนี้ถูกไหมครับครับที่เวลานั่งสมาธิยังไม่ควรจะพิจารณาควรให้เจ็ดนิ่งสงบนานๆแล้วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วค่อยพิจารณาดีกว่าเพราะมันจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะถ้าเรามีสมาธิเราจะปองได้เราจะวางได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราพิจารณาแล้วเราก็ยังปองไม่ได้ พิจารณาว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่พอเจอความแก่ความเจ็บความตายก็ยังทุกข์อยู่แต่ถ้าเรามีกําลังของสมาธิมากๆนี่เราจะปรองได้เราจะไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายอย่างถ้าอยากจะพิจารณารอให้ออกจากสมาธิก่อนเช่นออกมาเดินจงกรมแล้วก็พิจารณาไปว่าเราต้องแก่เจ็บตายคนนั้นคนนี้ต้องแก่เจ็บตายจะต้องมีการจากกัน เพื่อเวลาเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะได้ไม่ร้องหม่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าต้องจากกันมันก็ยังเสียอกเสียใจอยู่ยนั้นเราต้องพยายามสร้างกําลังของสมาธิให้มากๆด้วยการนั่งนานๆให้มันสงบตันานไม่ใช่พอสงบปักก็ดึงมันมาพิจารณาพอพิจารณาความสงบก็ไม่มีแล้วแล้วพอถึงเวลาจะทําให้มันปลงมันก็ปลงไม่ได้ อันปร่งก็คือทำให้มันสงบนั่นเองนะเวลาเราไปคิดถึงความแก่เจ็บตายนี่ใจเราจะจะพุ้งขึ้นมาแล้วจาไม่สงบแล้วแต่ถ้าเรามีสมาธิเราก็หยุดมันได้นะให้มันเฉยได้นะถ้าเฉยไม่ได้ก็แสดงว่าสมาธิเรายังมีน้อยอยู่งนั้นควรจะนั่งสมาธิให้มากๆให้นานๆไปก่อนออาสุดท้ายนะสี่โมงแนละ้ถามจากคุณแอปเปิ้ล หนูปฏิบัติแล้วเห็นกายกับจิตแยกกันบางครั้งก็เห็นขันห้าแยกออกมาเองเห็นอริยสัจ4ี่เห็นการเกิดปฏิสมุธบาตและเมื่อมีสติ ก, ก็จะตัดวงจรได้เร็วแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรหนูก็จะวางอุเบกขาแล้วก็จะดูว่าเดี๋ยวมันก็จะดับไปเองยิ่งช่วง ห, งหลังจะเห็นจากการเกิดสภาวะต่างๆบ่อยขึ้นโดยเฉพาะกายกับจิตที่แยกกันเป็นช่วงๆและปฏิสมุสมธบาตร และเห็นการดับไปชัดเจนขึ้นไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติมาถูกต้องหรือไม่เพราะหนูกลัวติดหรือหลงทางในการปฏิบัติคะ่ะคืมันยังเห็นของปลอมอยู่ไงยังไม่เห็นของจริงต้องเห็นของจริงแล้วดูซิว่าเราจะทําใจได้หรือเปล่าเห็นว่าเวลาที่ร่างกายจะต้องจากเราไปเนี่ยแล้วเราจะเฉยได้หรือเปล่าหรือเรายังทุกข์กับมันตอนที่เรานั่งเห็นในสมาธิก็เมืนกนารนั่งดูหนัง แต่ยังไม่เห็นเหตุการณ์จริงมันก็เป็นเป็นหนังดีอ่ะเป็นหนังให้เราเหมือนกับเป็นห น, นังสาธิตให้เราดูว่าต่อไปร่างกายกระจายนี้ต้องแยกออกจากกันนะต้องไปคนละทิศคนละทางนเราก็ต้องมาพิสูจน์ดูว่าเวลาเจอของจริงแล้วเราจะนั่งเฉยๆแบบที่เรานั่งอยู่ในสมาธินั่นได้หรือเปล่าเช่นเราไปเอาร่างกายไปไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูเราดูซิว่าเรา ใจเรากลัวรู้ใจเราไม่กลัวถ้าใจเรากลัวก็แสดงว่าสิ่งที่เราเห็นไม่มีประโยชน์อะไรกับเราเลยยังทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราไปอยู่ที่น่ากลัวแล้วเรารู้สึกเฉยเฉยไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายเราก็เฉยเฉยอย่างนี้ก็ถือว่าสิ่งที่เราเห็นนั่นก็เป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ได้แเราก็ต้องรู้ว่าเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราเอาไปพิสูจน์ดู พอแล้วนะเวลาเห็นอะไรนะั้นก็ถือว่ามันเป็นเป็นเหมือนกับเป็นการสอนเตือนใจเราให้เราเตรียมตัวเตรียมใจให้ให้รับกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพื<ด>่อให้เราไม่ทุกข์กับมันปั๊บมาขอโนทนาเอวาวงินกนะ็ขอให้ท่านจงเอาเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจพิจารณาไปปฏิบัติ